بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ع ق ب ة للمتقين والارضان الى الظالمين و ص ل و وصلموا على شرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه و من ت ب ع و ه ب بحسن ا الى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ادوار ميم ميم ي م مي تدين تدين بيننا จะมีอยู่หลายคนมามาอ้างว่าไอ้นี่ที่ดินของกูกูนี่ไม่ยาบนะมาเลยอยู่่อยใช้อกูไปเลยนะไอ้นี่ก็ของกูที่ก็ของกูอ้าวฟ้องร้องกันขึ้นศาลแต่ละคนนี่นนไม่มีหลักฐานเลย เพียงข้ออ้างแล้วก็มีพยานเล็กน้อยพยานโอ้นี่นี่นของูยา่าตาคนนี้แต่เรานี่นะมีะโฉนดอยู่ในมือโฉนดถูกต้องเลยคนระับคิดว่าตอนขึ้นศาลกันนะในคู่กรณีหลายคนเนี่ยคนที่จะเข้าสารด้วยความมั่นใจด้วยความรู้สึกว่าจิพย การที่เรามีอะไรที่สร้างความมั่นใจในมือเราเนี่ยทำให้เราได้สบายใจเยอะนะโดยเฉพาะได้มีความขัดแย้งกับคนอื่นแล้วก็มีอะไรที่แย่งอ้างกันนะต่างคนต่างอ้างโลกนี้ทั้งปวงนโลกนี้ทั้งปวง เขาคนที่รู้เรื่องมากที่สุดมากที่สุดนี่คือนกักวิทยาศาสตร์เขารู้ทุกอย่างเขาอธิบายได้หมดเลยอธิบายถึงขั้นที่เขาเขาวิจัยกันว่าโลกนี้เกิดยังไงนูน่นกี่กี่พันล้านวีนะมื่นสามป่ะฮะหมื่นสามนี่อันนี้มัสฮับนึงนะมีมีนะมัสฮับเขาไปถึงบิ๊กแบงนูน่น โลกเกิดอย่างนู้นอย่านี้เมฆนี่มายังไงกออธิบายได้นะฝนนี่ตกยังไงกออธิบายได้นะแต่ถ้าไปถามเขามากกว่านี้นะอะไรที่มันอะไรที่อะไรที่มันไม่อยู่ในเครื่องมือในแลบที่เขาสามารถวิจัยได้เนี่ยเขาตอบไม่ได้อา้าว big bang สมมติสมมติว่า big bang นี่ใช่เลยนะถูกต้องเลยนะ มันมีความคล้าย ค, คญญาลึงกับอาณาเขตโซลตาลันบียที่อัลเราได้พูดถึงเรื่องการการเริ่มชุดเริ่มต้นของการสร้างสปอสิ่งทั้งหลายชั้นฟ้าและแผ่นดินสมมุติในวิบิบบ๊กแบงคนี่มัน <c oughs> นี่เข้าใจบิกบ๊กแบงค์ไหมตะกี้บิกบ๊กแบง อแงี่ไม่ใช่กระเป๋านะไม่ใช่ไม่ใช่บนะแบงค์แบงค์แบงค์เวลาระเบิดบ i ๊แปลว่าผมพูดถูกปะมีมีนะกุสัตต์นั่งอยู่ที่นี่ผมก็ต้องระวังตัวมึงแบงค์ระเบิด b i ๊แลระเบิดใหญ่ที่สุด <laughs> แลก็ระเบิดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ทำให้โลกนี้ฉันาแล้วแนล็งเกิดขึ้น أعني نقول ه ا كوفي سنة. سمع صدقان ق أيان سورة الأنبياء ل ولم يروا أن السماوات والأرض ك ا ن ت رطقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ت ب و يعني آ ن ي ا ن ا عن ل ن ا إذا ك عن ا ن ا ن س عن ل ن ا إذا ك عن ا ن ا ن س عن ل ن ا ل ا إذا ك ا ن س ن ه عن ل ن ا أ ل ا إذا كنا ن س ا ن ا ن س عن ل ن ا เขาไม่มีคําตอบเขตอบไม่ได้เวลาเขาอธิบายว่าฝนตกนี่มันในองอในความชื้นมาเจอกับความเย็นแล้วับมันมันเมียกเม็ดับผมตกแลก้วไปบอกเขาแล้วก็อะไรที่อะไรที่ทําให้เกิดความชื้นความเย็นแล้วทําไมต้องเกิดตรงนี้จุดนี้ไม่ใช่จุดนูน้นแล้วทำไมแล้วทำไมต้องในต้องเป็นก้อนนี้ต้องเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ อ, อธิบายไม่ได้แต่คนที่มีคุณอ่านนะ สามารถอธิบายได้ทุกอย่างนทุกอย่างเลยแม้กระทั่งใบไม้ที่ร่วงหล่นมาแม่ที่กำลังวิ่งเหนือศีรษะชาวบ้านเนี่ยฝนที่กำลังตกอยู่เนี่ยทุกเม็ดทุกหยดน้ำเนี่ยพายุบรรดาสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลา ย, ยผู้ศรัทธาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุรานเนี่ย สามารถอธิบายและเข้าใจให้ลองคิดดูสิเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ได้นะเราสามารถเข้าใจว่าอะไรนี่อะไรกําลังเกิดขึ้นคนนี้ประสบอุปัติเหตุทําไมต้องประสบอุปัติเหตุคนนี้จนคนนี้รวยทําไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเราจะมีคําตอบคนที่เข้าใจในปรึกซึ้งในปัจจัยอกุรอานเนี่ยจะสามารถอธิบายได้ ทุกอย่างยิ่งลึกซึ้งยิ่งศึกษายิ่งยิ่งเข้าลึกไปในคุณอ่านเนี่ยยิ่งมันกระจากกาณุณอ่านนี่ก็เเรียบชนูดนั่นแหละแต่คนที่มีกณุณอ่านนี่ก็ไม่เหมือนกันทุกคนไงมีกณุณอ่านในมือมีกณุณอ่านในบ้านเหมือนคนเยอะแยะเลยมีกณุณอ่านในบ้านฝุนตลบมีกณุณอ่านในบ้านไหลเล่มด้วย มีคุรานในมือถือมีคุรานตั้งไว้ที่ทำงานด้วยแต่บางคนเนี่ยมีคุรานอยู่ในหัวใจไม่ได้หมายร่วมว่าเขาท่องจำกุรานอย่างเดียวนะมีคุรานในใจนี่ก็หมายถึงว่าหัวใจของเขาเนี่ยเข้าใจเข้าใจกุรานผมเคยบอกกับผมผมซึ้งมากในในคำ คำศัพท์ภาษาไทยอันนี้มันมันลึกซึ้งกว่าคาภาษาอักษภาษาอักษนี่เข้าใจานี่เขาใ้ิมาแฟหิมฟหิมะถ้าแปลเป็นไทยก็คือเข้าใจฟหิฟหิมาิมเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับหัวใจไม่มีอะไรเกีก่ยวกบข้างใน แต่ภาษาไทยนี่เข้าเข้าคือคนที่เข้าใจนี่มันมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะคือเข้าใจอ่ะแล้วถ้ามันไม่เข้าล่ะก็แสดงว่ามันไม่เข้าใจแล้วถ้ามไม่เข้าใจนี่หมายถึงว่ามันยังอยู่ข้างนอกอ่ยังไม่ไยังไมไ่เข้าไปอยู่ในใจคำคำนี้ผมว่าสุดยอดก็แปลกนะในภาษาไทยในเรื่องใจนี่ ม, มีมีนัยยะสำคัญเข้าใจ ดีใจดีต่อใจอนิดในใจอะไรใจใจเยอะเนอะอิ่มใจพอใจอะไรเ่ะซึ้งใจเอะต้องมีใจอ่ะต้องมีใ จ, ตใจแต่เข้าใจนี่อันนี้ซึ้งมาก ตอนแรได้พูดอัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องพิสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นผู้ให้ทางนำผู้ให้ทางนำย่อมมีสิทธิ์เหนือกว่าอื่นๆที่จะต้องจงรักภักดีต้องศรัทธาเพราะคุณค่าของแต่ละอย่างนี่อยู่ที่ สิ่งเหล่านั้นน่ครอบครองอะไรบ้างคนที่มีสตังนี่เขาครอบครองเงินค่าของเขาเนี่ยเงินคนที่ครอบครองความรู้เขามีความรู้คนที่ครอบครอบครองมารยาทแต่เรียรมเขาก็มีคุณค่าในในตัวเขาผู้ที่ครอบครองทางนำล่ะไม่มีไม่มีใคร นอกจากกองทัพสุภาในโมตานซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้สามารถอาศัยผู้อื่นได้สามารถไปแสวงหาจากใครก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเอาก็ได้ตังค์เราไม่ต้องมีตังค์ไม่ต้องมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีสตังค์อยู่ได้แต่เรื่องทางนำเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีใครครอบครองและไม่มี ไม่มีใครที่เราสามารถจะไปขอจากเขานี่นอกจากอ AH. ัลลอ์จริงจึงเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์สุภาเนวจาละเอามาเอามาโตเถียงกับผู้ปฏิเสธทานและอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ดูเหมือนว่ามันลึกลึกเนี่ยพวกมุชลิกีในม ก, การน์นเหมือนเขาเขาเห็นข้อแตกต่างตอนนี้เขาบูชาสักการะจเจวิตต่างๆเขารู้ในใจนี่ว่าจเจวิตนี่ก็ ที่สุดของเขาเนี่ยเขาอาจเชื่อว่าตัวนี้อาจจะทําให้ฝนตกตัวนี้อาจจะทําให้มีลูกตัวนี้แต่ทาง น, นําล่ะซึ่งถ้านั้นมันจะมันจะสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสัตรูธรรมความสัตดจริงความถูกตก้องเรื่องที่เป็นจริงไม่มีใครและสืบเนื่องจากเรื่องนี้นะที่เราอธิบายไปแล้วนะเราจึงบอกว่าจะเวทที่เขา อุปโลกขึ้นมาเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับพระผู้เป็นเจ้าไม่ควรแก่ความเชื่อที่ต้องมีต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงหมายถึงว่าถ้าเราจะเอาพระเจ้าที่แท้จริงเอามาเคารพสักการะนี่ไม่ควรที่จะเอาเรื่องนึกคิดเรื่องสงสัยเรื่องอุปมาเรื่องอาจจะเป็นอย่างน้นอาจจะเป็น เอามาใช้เป็นหลักศรัทธามันไม่ควรมันไม่ควรแก่ความศรัทธาที่จะเอาเรื่องเรื่องที่น่าสงสัยมาเชื่อ a ล l a h จึงบอกว่ามาจะตบิ ع أكثرهم إلا ظنا إن ظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم ب ي عل ي ا ي ل ส่วนใหญ่ของพวกเขาอัครมุมส่วนใหญ่ของพวกเขา มิได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการนึกคิดอาจารย์ดิเรกในความหมายคุณลักษณของเขาเนี่ยกวนอกจากเรื่องเดาเเรื่องเดาเดาวก็คือไม่ได้ไม่มีความมั่นใจไเรื่องเดานึกคิดอินนั้นวันนั้นละญัณย์มิใน الحق شيئا แท้จริงการนึกคิดการนึกคิดนั้น ไม่อาจจะแทนความจริงได้แต่อย่างใดความนึกคิดความเดาความสงสัยกับความแ ท, ท็จความข้อเ ท, ท็จจริงเนี่ยความจริงเนี่ยมันจะมาทดแทนกันไม่ได้แล้วทาไมต้องมาทดแทนฉันก็เอาความเดาความคิดเอาอะไรที่มันอย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ะนะเอามา เชื่อไว้ก่อนก็ได้จะเสียหายอะไรล่ะคือถ้าเราเริ่มต้นจากความเชื่อนึกคิดที่ไม่มีอะไรเป็นฐานมั่นฐานสำคัญนะนะทุกอย่างนี่มันจะพังทีหลังทุกอย่างพังถึงขนาดที่เป็นคนที่สอนสิ่งที่เขา เชื่อว่าเป็นความจริงเนี่ยสอนธรรมะสอนความจริงคายยาเศษติด thinking อะไรเงี้ยุจาริตธุจาริตเงินทอนของของ เ, ออเงินหลวงอ่ะมันพังเพราะอะไรพังเพราะความเชื่อตั้งแต่ต้นเนี่ย มันมันระสรัมระสายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องศาสนาอื่นแม้แม้กระทั่งศาสนาอิสลามคนที่ไม่ได้เชื่ออิสลามอย่างมั่นใจอนะโอกาสที่จะผิดเพี้ยนในเรื่องอื่นในมิติอื่นของชีวิตเนี่ยมีสูงสูงกว่าคนอื่นเชื่อในอัลลอฮ์แบบอย่างนั้นอย่างนั้นะเชื่อในสวนรรค์ในโกแบบอย่างนั้นอย่างนั้น่ะถึงในฮะดีสบทหนึง่ง ท่านนบิสซาลลัลลอฮฺอานยซัลลัมได้บอกว่ามาเลกาหนุนการนกิรนที่จะมาถามคนในกุโบเนี่ยบางคนในบางรีวะบางเรงานนี่บอกว่ามาอลกาจะถามว่ามาดะตะูลฟิรรัจุลิลลัีอุลซิลฟิคุมเจ้าแวงไงเกี่ยวกับบุรุษที่ถูกส่งมาเป็นเป็นศาสนทูตในหมู่พวกท่าน ف ฟ ي กูลูคำตอบนี้อันนี้ตามสำนวนข้อดสํำนวนหนึ่งนะฟกูฮาฮฮฮกูลูนันคดะว่า ي ดะฮ่าฮ่ก็ก็ก็เขียนนะเขียนแต่แต่มันก็น่าจะแบบว่าเป็นเป็นคาแปลกใจคาประหลาดใจสากรนะฮะฮะ อะไรนะนั่นน่ะคนคนนั้นนะที่ื่อมุฮัมมัดได้ถูกถูกส่งมาเป็นรสรู้เนี่ยเจ้าว่ออาไงก็ได้ยินได้ยินเขาว่ากันนี่คนนี้เนี่ยอาจจะเป็นภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นมุสลิมก็ได้นะเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเขาว่ากันกูก็ว่าตามแต่ใจนี่เชื่อไหมก็ก็เขาว่ากันก็ต้องก็ต้องว่าตามที่เขาว่ากันเพราะมีคนในสังคมนี่เนี่ยเ ข, เขาไม่มีอะไร ปักหลักไว้ในหัวใจว่านี่คือความเชื่อนี่คือศัจธรรมนะแล้วฉันต้องทำตามเลยไม่ใช่สังคมเนี่ยก็คือตามน้าำ嘛สังคมเขาว่ายไงเนี่ยก็ไปตามน้าแอ่ชีวิตของคนพวกนี้เนี่ยที่อยู่กับเรื่องอยู่กับฐานแห่งความคิดนึกคิ ด, คดไม่ไม่มีอะไรที่มันมันแน่นอนอะเล้วเราก็ส่วนมากของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างงั้นแสดงว่ามีบางส่วนนะนะรู้กันแก่ใจรู้แก่ใจนะว่าไม่ใช่ เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ใช่แต่เขายังไม่พบความจริงและสัจ ธ, ธรรมเช่นอบูบั克อบูบัก์ตั้งแตเกิดนะไม่เคยกราบไหว้จเจว็ดหน้าภากนี่บอกว่าไม่เคยกราบไหว้จเจว็ดบางรายงานบอกว่าท่านอาลีบนาบิวต้อลิบเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าบิดาของเขานี่เป็นผู้นํากุเรชแล้วก็กราบไหว้จเจว็ดเหมือนกันแต่อาลีบนบิวต้อลิบเกิดมาตั้งแต่เด็ก จนกว่าจะรับอิสลามเนี่ยก็ไม่เคยก้าวไหวใจเหวี่ยงทั้งที่ตอนเด็กเนี่ยก็น่าจะตามผู้ใหญ่เรงแต่งเไม่เคยไม่เค ย, เคยบางแรงงานบอกก็แล้วก็มีอาหรับหลายคนน่ยชาวอาหรับหลายคนเนี่ ย, ย, นนยที่เป็นเช่นนะั้นคือเขาเขาไมเชื่อเขาไม่ยอมรับอะ่ะมันเนี่ยเป็นได้ไงอะ่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นมาตรฐานที่ทุกคนเนี่ยสามารถสอบถามหัวใจของตัวเองได้เรื่องความ มันใช่ไม่ใช่มันจริงไม่จริงเพราะภายใต้จิตสำนึกของแต่ละคนเนี่ยมีความจริงที่ a l l a าได้ปลูกฝังไว้อย่างที่บอกว่าอันนี้คือสัญชาตญาณอนนันหนึ่งที่ a l l a าได้สร้างคือมีเมล็ดแห่งสัจธรรมทีม่อยู่ในหวัวใจของทุกคนน บ, บีจึงบอกว่าอิศเตฟตีกลเบกฮัดินซายยันะอิศเตฟตีกลเบกเินอฟตกะลมุฟตูน เจ้าจงถามหัวใจของเจ้าแม้ว่าจะมีผู้อื่นที่ให้คำตอบมากมายก็ตามหมายถึงว่าผู้อื่นเขาอาจจะตอบตอบไปอย่างนึงตอบอย่างนึงแต่หัวใจนี่กำลังบอกไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่อ ง, รองจริงบางทีนี่ไปถามผู้รู้คนนี้ได้ได้มีอะไรหรอ คนนมมีอะไรแนละ้วถามเยอะเหลือก็ก็บอกแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาแต่ใจเรานี่นะ น, น่าจะมีปัญหานะมันมใจใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแต่คําพูดของแต่ละคนนี่เจ้าของคําพูดนี่นะ มนุษย์นี่อุปโลกกันมาเองแล้วก็ส่วนที่เขาไม่เชื่อในเรื่องเวิตเรื่องอะไรที่มันอุปโลกเป็นพระเจ้าจอมปลอมนี่นะท้ายสุดท้ายนี่เขาก็ต้องยอมรับศรัทธาถึงแม้ว่าหลงไปแค่ไหนเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าลึกๆเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ยอมอ่ะไ ม, ไม่ไม่รับอ่ะอมริดนขตบนี่เคยบอกว่า บอกว่าเรานี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์มากที่ให้ทางนํากับพวกเราตอนอยู่ใน jahiliya นี่นะอยู่ใน j a ฮ i ล i ย a นี่ถ้าน้องมดมันขับต้อมนี่เล่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยจะหิวห้วรูปปั้นไปด้วยนีย่รูปปั้นที่ตัวเองเคารพสักการะเคารพนับถือเนี่ยจะหิวไปเดินทางนนมันหนักมันหนักไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหิวนะปั้นตกนต้องเป็นไม้หรือต้องเป็น ก้อนหินเป็นฮะแ ต, ต่ว่านหนูเขาไม่มีปูนไม่มีเจ็บซัำมาอะไรพวกนี้ที่มันของเบาๆสลักหินเลยหรือเอาเป็นเป็นไม้เลยนี่นสลักไม้ไปเลยส่วนมากนี่เป็นหินเป็นก้อนหินหินนะ่ะสลักมาจากภูเ ข, ขานี่ยแล้วปั้นเป็นเดี๋ยวนุปั น, ป น, ปปนโอ้จะแบนนนะ่นี่มันหนักอ่ะจะทํายังไงอะ่ะปั้นเป็นอินพาลัมไปเลยอินดาพาร์ลัมต่มัดปั้นไปเลยแล้ว ก, ก็หิ้วไป หิวแล้วนะค่อยกินมันเราไม่รู้นึกเขาตองบอกมันนึกถึงเรื่องนี้แล้วหัวเราเนี่ยขำเลยแต่ก่อนนู้นกูทำได้ไงเราเชื่อมเชื่อได้ไงพระเจ้าของเราอะะพอหิวแล้วเนี่ยกินมันเห็นไหคือมันมีเรื่องลึกๆนี่เขาบอไอ้นี่มันเรื่องเดาวนี่มันเรื่องคิดนี่มันเรื่องอุปโลกนี่มันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องจริงอัลลอฮฺท่านประทานมาหากนี่ยที่เขา ปฏิบัติกันมาเนี่ยที่เขาสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายนี่นะว่า น, นะมันเป็นเรื่องนึกคิดความเชื่อทุกความเชื่อถ้าไม่มีศัจธรรมนี่มันหนุนให้มันให้มันมีความมั่นคงอะนะเขาก็ไม่ควรเชื่อไม่ควรเชื่อ ขมีคนที่มาอ้างสัจธรรมนี่ใส่หมวกใส่โต๊ใส่อะไรก็ตามมานถ้าไม่มีตัวบทหลักฐานแต่ไม่มีสัจธรรมนี่มาสนับสนุนมันก็คือเรื่องนึกคิดศาสนาไม่ไม่ใช่เรื่องนึกคิดอัลลอฮบอกว่าอินนอินนนลาุนีมินความท็จเนี่ยความนึกคิดเนี่ยความนึกคิดความเดาเนี่ย ไม่อาจจะแทนความจริงได้แต่อย่างใดทาไมอะ่ะตะกี้บอกว่าทําไมอะ่ะก็เชื่อไปก่อนดิเชื่อไปงั้นอย่างนั้นน่นะมันเชื่อได้แต่มันแต่มันไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจความมั่นคงในชีวิตถึงบอกว่ามันแทนไม่ได้ไงความนึกคิดความเดานี่นะมันทําให้เราเนี่ยอยู่ได้อยู่ไปอยู่ไปเป็นวันๆนนะอยู่ได้ แต่มันจะไม่ทําให้เราสบายจะไม่ทําให้เราเนี่มีความมั่นคงไม่ทําให้เราเนี่อย่างที่บอกว่าไม่ทําให้เราเนยอยู่ในโลกนี้เนี่ยแล้วก็แล้วก็มีคําตอบมีคําอธิบายกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เรื่องศาสนานี่ยนะทุกเรื่องต้องทําให้มุสลิมเนี่ยมีมีความหนักแน่นมีความแข็งแกรง่งเช่น เช่นเรื่องละหมาดคนคนี้ไม่เชื่อนี่ไม่ละหมาดหรอกอู้จะละหมาดทาไมถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะไม่เชื่อว่ามีวันเกียรมาไม่เชื่อว่ามีสวรรค์จะละหมาดทาไมละหมาดไปทําไมคนนี้ละหมาดต้องเชื่อทีนี้ถ้าละหมาดแล้วนี่นะการละหมาดที่มันเกิดจากความเชื่อนี่ต้องเป็นการละหมาดที่สร้างความแข็งแกรง่ง พอท่ละหมาดแล้วก็ยังอ่อนไหวยังไม่มั่นคงเจอปัญหาอะไรนี่ก็สุดเลยเจออุปติอะไรในชีวิตนี่นะมันอยู่อ่ำมเอาไม่อยู่นลยบายเลยพูดทั้งพูดทั้งเชื่อทั้งอะไรที่มันที่มันไม่สอดคล้องกับความหนักแน่นของความศรัทธาละหมาดเพื่ออะไรอบุลฮะซิอัชาดุลีเจ้าของ ตอริกัสของชาซูลียคือเจ้าของตริกัตเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ตริกัตของเขาที่หลังเนี่ยที่ก็มามาหลงหลงกันที่หลังเนี่ยนีเราไม่เกี่ยวแต่เจ้าของตริกอบุลฮะซันอชาซลีเหมือนีลานียนี่ีลานียเป็นตริกัตี่ดังมากเพี้ยนเยอะแต่เจ้าของตริกัตนี่อิมามอับดุลกอลีลานีนี่มัฮับนี้มัฮับอดัมบัลนะเป็นคนที่ อยู่นยในทางอามาเดมฮัมบัลจะเป็นคนในซุนนะเป๊ะๆเลยแล้วเขามีแนวขัดเกลวติดใจขัดเกลวหัวใจให้ให้เป็นให้เป็นคนใสสะอาดเนี่ยในที่ที่หลังนี่เขาเขาตั้งกันเป็นวิชาได้กว่าตอสอุฟ เขารุ uta, ur, ata, sol, you society, ali, ่นหลังเนี่ยเขาก็เลยยึดนะคนนี้เนี่ยเลานีเนี่ยเขาเอาตริกูลเจลานีย์เนี่ยนี่ชาซูลีเนี่เอาตริกูลชาซูลียแล้วก็มาเพียนกันเรื่องคำสั่งสอนที่หลังแต่ตัวเจ้าของตริกูลนี่ส่วนมากนะเป็นผู้รู้อบดุลฮัสซันอับชาซูลีเนเขาจะอพยพจากเมืองหนึ่งมาเมืองหนึ่งกันนะเนื่องจากว่าเจ้าของเมืองเจ้าเมืองแล้วก็ผู้รู้ในเมืองนั้นนะเขาเชิญชวนบอกว่าท่านอยู่ที่นั่นนะท่านถูกรังแกถูกอะไรมาหนิเมืองนี้มีคน มีคนอยากจะเรียนรู้กระท่านเยอะผู้รู้ในเมืองทั้งหมดที่เคารพนับถือเขาก็อยากจะรู้ว่าผู้รู้ผู้รู้ในเมืองนั้นนะ่ะเขาเขายังระดับระดับเขาอะเขาก็ถามผู้รู้บอกว่าคุณละหมาดไหมละหมาดไห ม, มลองนึกภาพนะมีคนมาถามเชตดอนเช็กละหมาดัหมเนี่ย ให้มันตอบยังไงลองคิดดูสิอุลมานีละมาก่อนมึงจะเกิดอีกนี่งตอบแบบแบบอารมณ์มานะแล้วโอ้โหเขาถามผู <S <S ้รู้ผู้รู้ระดับปานมจาย์กันนะไม่สิธรรมดาผู้คุณละมาดกันไหมเนี่ยเขาก็บอกว่ามีใครไม่ละมาดแล้เเขาไม่กล้าจะตอบแบบพอนี้อับุลฮะซชชุคนดังอยู่แล้วไง ใครไม่ละหมาดแล้วเหรอไหมนี่กุเป็นเปไม่ได้หรอกนะขนาดระดับนี้แล้วไม่ละหมาดใครจะไม่ละหมาดล่ะเขาบอเอาพวกคุณเนี่ยมีเมื่อวันไหวบ้างหมเจอปัญหาอะไรวันไหวบ้างไหมเาออตุสลูนละหมาดหมอ่อไม่เลยเลวใครไม่ละหมาดล่ะทาลตจเจงวันไหวไหมเจเถลงว่ากลัวกันบ้างไหมเจเจงอันล เขาบอกว่าก็มีบ้างเขาบอกว่าแสดงว่าพวกเจ้านี่ไม er sure er ่ละหมาดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินเดลอินซ่านะคุณจะฮาล ه ะ ل ิดามัลส์เ ا م ิชรูจัจัวะอมนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกสร้างมีสถทธะมีสัญชาตญาณฮาลูะวนไวจัจัวะขี้กัววาดกัวและถ้ามีคุณงามความดีมีทัมีงินน่นะ แค่ตระหนี่ขี้เหนียวอลลิลลูซลนยกเว้นคนดิลมัดเขาจะไม่เป็นเช่นนั้นเขาจะไม่หวั่นไหวเขาจะไม่หวาดกลัวเขาจะไม่ตะหนี่เราอ่านอาย่านี้นีก็อ่า น, นผ่านๆนะแต่พอผู้รู้คนอื่นในเวลาเขาอ่านนี่ก็พลิกไปพลิกมาเนี่ยเขาได้ความรู้มากกว่านี้อันนี้ไม่ได้มาร่วมว่า วันไหวกลัวในเรื่องเรื่องที่มันธรรมชาตินะ่ะเจิง เ, เ, เจองูแล้กลัวอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ละหมาดใช้ได้เป่าละหมาดแล้วกลัวงูเนี่ยไม่ใช่ไม่เจนจะทำงานแล้วเขาไม่ให้ละหมาดเราก็เหมือเราก็ละหมาดพอละหมาดนี่เขาก็ไล่ไปเฮ้ยไล่อย่งไงอ่ะไม่มีอะไรได้ไม่มีเงินเดินไม่มีเอ๊อจะองไงคนที่ละหมาดจริงๆนี่ยนะไม่ควรจะเป็นแบบนะั้น ในเมื่อละหมาดละหมาดเพื่อ Allah แล้วนอะก็รู้ไ้ว่าใครเป็นผู้ให้ริสกีล่ะล l l a ไล่ไล่ก็ไล่นี่กูไม่ได้ริสกีมาจากริสกีนี่มาจากตัวอันอินนัลลอฮฺอาลีมุนบิมา يفعلون Allah รู้ว่าไอ้ที่พวกเขาทำกันเนี่ยทำโดยไม่มีไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อที่หนักแน่นไม่มีความมั่นคงในด้านความเชื่อ Allahu inna Allaha Aliimun bi al-Falun ถ้าจ um ึง a ล l a h นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทําอายะนี้ใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่มีความไม่มีความแน่ใจเอาไว้ก่อนอกไว้อย่าเพิ่งให้ความสําคัญอย่าเอาอย่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในชีวิตของเราทั้งนั้นที่ยัง ยังไม่ได้ศึกษาให้ให้มันแน่ชับแม้กระทั่งเนรองศาสนาในเรื่องศาสนามีคนมาบอกว่านี่ในเรื่องนี้เป็นหลักการเป็นหลักการศาสนานี่เป็นหลักศรัทธาแล้วก็ไม่ได้เอาตัวบทหลักฐานอะไรมาอ้างเองมาอะไรนี่ก็เอาไว้ก่อนมันยังเป็นคําพูดของมนุษย์สมมุติสมมตินะว่ามีคนมาบอกว่านี่รุกุลอิมานี่นี่อิมานี่รูปคุลอีมานต้องเป็นแบบนี้สาอีมานนี่อันนี้ แล้วเขาพูดอย่างเงี้ยลอยๆ อ, อย่างเงี้ยโอ้ยนี่รูก้กฎอิมานนี่ถ้าไม่เชื่อนี่ถ้าไม่เชื่อนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ศระะัทธาแล้วใช่ไหมเขาก็เชื่อไปทั้งเรื่นี้มันยังไม่มีความอะไรที่มันหนักแน่นเนี่ยมาสนับสนุนคําพูดแบบนี้พูดถึงมนุษย์มนุษย์พูดอะไรก็ได้แต่จะมาอ้างอะไรเกี่ยวกับพระเจ้านี่ต้องมีหลักฐานที่แน่นอนมาสนับสนุน อิมัมคุรตุบีบอกว่าอะยรนีเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรื่องหลักอีมานความเชื่อจะต้องมีตัวบทที่ยะกินยตัวบทที่แน่นอนยะกินนี่หมายถึงว่าร้อยเปนทำไมอิมัมคุรตุบีพูดเนี้ยเพราะอิมัมคุรตุบีเนี่ยเป็นนักวิชาการสายอัสไยรออัสไชชัยรอนีเขาบอกว่า ตัวบทหลักฐานที่เป็นอะฮดลอฮัดนี่ก็คือฮัลิที่มีสายรงงานเดียวสองเรงงานสมเร่งงานมันไม่ใช่เป็นฮัลิสที่กระแสมันเยอะแยะเหมือนมุตาวะติรมุตาวะติรนี่กระแเป็นสิสถานะของฮมุตวติรนี่เหมือนคุรานเลยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องอากีได้เรื่องความเชื่อเนี่ยจอาอฮดมาไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่อง นกคิดึังดาวข้อฮัลิดส์อาฮัดนี่มันไม่ใช่บุตรวะทิรแต่ชาวซาลฟนี่ชาวซาลฟนีหมายถึงว่ายุคสหาบายุกต่เบลีนและอัลมารุนก่อนเนี่ยเขามีมุมมองที่แตกต่างกับแนวคิดของอาชาโร่เกี่ยวกับหัลิดส์อาฮัดตี่ไม่ใชุ่ตวทิรหาดี่มีสายงานเดียวๆเนี่ย เขาบอกว่าฮะดีสอาฮาดาาเนี่ยถ้าสายรายงานเนี่ยสืบแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าผูร้รายงานฮะดีสทั้งหมดเนี่ยน่าเชื่อถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวบทหลักฐานที่ต้องเชื่อถือแล้วก็มีความมั่นใจมีความยา่เกณฑ์ระดับหนึ่งยิ่งถ้ากระแสนในรุ่นหลังเนี่ย ได้รายงานฮะดีสบทนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผู้รายงานหะดีสตอนต้นของอิสนาดเนี่ยตอนต้นของแสรายงา น, นยอย่างเช่นสฮาบบ้านนี่ผู้รายงานฮะดีสนี้จากท่านนบีจากท่านนบีมีสฮับบ้าคนเดียวแต่พอมาในรุ่นหลังเนี่ยเน่นใจว่าฮะดีสนี่มีชื่อเสียงเพราะก็นึว่าผู้ที่รายงานฮะดีสอุ่นน่ะนับเป็นพันเป็นเป็นแสนเลย ก็มีมีตัวอย่างผมบกว่านี่หัติไบุคารเลมุสลิมส่วนมากนะประมาณ 90% ของไบุคารเลมุสลิมหรือเ้าเปเ็นป็นฮัดิอฮัดหมายถึงว่าสายรงานนนับได้เลยหนึ่งสองสามสี่ไม่เต็มันมตวาติดหมายถึงว่าสิบอัสิขึ้นไปนี่มุตวาติดสิบสิบห้ายี่สสสินี่งพวกมุตวาติด ไม่คงไยบุคอรีนี่มุสลิมนี่ 95% เนี่ยเป็นอาหารแต่ตัวไยบุคอรีและมุสลิมนี่ประชาชาติอิสลามโดยเฉพาะปราดนะแม้ในกุาการนะผู้รู้เนี่ยยอมรับกันน่ะเอกชนน่ะว่าสองเล่มนี้เนี่ยะดีซีอยู่ในสองเล่มนี้เนี่ยน่าเชื่อถือถึงระดับยะเกณฑของมุตะวาเตียรได้เขาก็มันก็สามารถที่จะ ให้ฮะดิษอะฮาตนี่มีความน่าเชื่อถือเหมือนมุตวาติรจึงเป็นที่มาของทัศนะาที่บอกว่าแม้กระดังฮะดิษ ص ี ح อาฮ่ที่ไม่ใช่มุตวาติรนี่สามารถเอามาเป็นความเชื่อด้านอักีดา์ได้เรื่องนี้มันมีผลมันมีผลเกี่ยวกับฮะดิษหลายบทที่บูถึงเรื่อง สิฟาทคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا س ن, س ن ان, ل เช่นฮะดีษฮะดีษที่อัลลอ์มีตาสองสองข้างสองดวงหรือมีพระหัตสองข้างมียะได้หิวกิลแต่อยะได้หิมีนุน สมมติว่าอัลลอฮ์มีประหัตสองข้างเนี่ยสองข้างอันนี้อยู่ในข้อพิในคุรานี่มีแต่มีพูดถึงว่าประหัตเยอะร้อยฟากก้อดีประหัตของอัลลอฮ์แต่ประหัตสองข้างอ่ะอันนี้มีในข้อพิซึ่งเป็นข้อพิสูจันเราจะเชื่อเราจะเชื่อว่าอัลลอ์มีประหัตอันนี้มีในกุราน แช่อว่าเมีประหัต ส, สองข้างแต่ไม่เหมือนของมนุษย์แน่นอนนะไม่เหมือนของเราแน่นอนทุกนิตินี้เหมือนของเราเนีนน่ยแต่มีสองสองข้างข้างยังไงเป็นยังไงอันนี้เราไม่พูดนะ่ยไกด์เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนี้เราไม่คิดไม่นึกเลยเราแค่เชื่ออย่างเดียวมีสองข้างพอหะดิษพูดถึงว่ามีสองข้างนี่ถ้าเป็นแนวว่าชาวเราจะเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าซิฟา้าของอัลลอฮ์นี่มาจากฮะดิษอาฮัดนี่เราไม่เชื่อ ทำไมเอ่ยเพราะเป็นยนอน็นเรื่องเดาไม่ชียเกณฑมันไม่ใช่มุตตะวาติตจึงไม่สามารถเอามาบรรจุเป็นความเชื่อได้ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งผลใดๆต่อสถานะผู้เชื่อหมายถึงว่าไอคนที่จะเอาหะดีสอาฮาดและก็เชื่อว่าอัลลอฮมีประหัสสองข้างนี่ไม่ได้หมารู้ว่า เขาแบบนั้นเนี่ยก็คือความเชื่อของเขาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วและความเชือเเ่ อ, อ, อ, อ, อ, ข, อของเขาเนี่ยคืออีมานที่มันครบถ้วนแต่อีกคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีพระหารอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีประหารสองข้างนี่อีมานของเขาเนี่ยรั่วหรืออีมานของเขาเนี่ยมั่วเออพวกอชาลอนี่พวกชาอนี่มันมัว่วไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นเลยทําไมอะ เพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคนที่จะยืนยันน่ยเชื่อในในหลักฐานตัวบทหลักฐานเนี่ยต้องการเชื่อตามที่อัลลอฮฺละอฺพูดอัลลอฮฺละอฺนี่พูดพูดว่า Allah, อัลลอฮฺเป็นยังไงเก็เชื่อตามนั้นแต่จุดมุ่งหมายของเขาและชาอราแหละเขาเขาไม่อยากเชื่อเขาอยากเชื่อแต่จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเขาอยากเชื่อ ที่เกยวกับอัลลอฮ์เนี่ยในความเชื่อที่มันแน่นอนอะไรที่มันไม่แน่นอนอ่ะนะเขาก็ไม่อยากเชื่อซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ผิดโดยหลักการอ่ะนะหลักการนี้มันไม่ผิดจะมองทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันนะก็คืออยากเชื่อในอัลลอฮ์นี่ให้มันดีที่สุดแต่แน่นอนคนที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ไม่มีใครสามารถนีตลอด ประวัติศาสตร์นะตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีไม่มีใครมากล้าสาบานว่าในเรื่องแบบเนี้ฉันเนี่ยถูกมึงอผิดฉันน่ยถูกล้านปเปอร์็นต์มึผิดล้านเซน็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้ามาสาบานเลยนะฉันน่ยสาบานนะว่าฉันเนี่ยถูกล้านปเปอร์เ็แกนี่ยผิดล้านว่าทำไมอ่ะเพราะเรื่องเพราะเรื่องนี้นี่มันกั้มกึ่งไงทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝายนี้ เขายอมรับในในหลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าในคุณลักษณะของพระเจ้าไม่ยอมรับอชรรอนี่เขายอมรับในสุนนะไม่ยอมรับยอมรับในกุรอรานไม่ยอมรับยอมรับว่ากีด้าเอามาจากคุร์รานและสุนนะยอมรับแต่เขามีเงื่อนไขเออแล้วก็ซาลับนี่เขามีมีเขาก็มีซาลับก็มีเงื่อนไขนะบางเรื่องนี่เขาก็เขาก็ไม่เอาซาลับนี่บางท่านนี่ก็ขัดแย้งกันในสิทธิ สิฟัดคุณนักอันนึะที่มีความขัดแย้งกับตัวบทนั้นนะมันเป็นหะไที่ส้อยหรือไม่ส้อยออย่างเช่นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยอัลฮัดอัลลอฮ์ลลมีจุดจำกัดมอัลลอฮ์มีจุดจำกัดไหมปรหมายทึ่ว่าระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายที่อัลลอฮ์สร้างกับตัวอัลลอฮ์เองเนี่ยมีขอบเขตไห นี่ะที่สวดหนึ่งยืนยันวมีมีขอบเขตอัลลอ์ไม่ได้อยู่ทุกที่ในในทุกจุดในโลกนี้ชาวซาลับส่วนมากเนี่ยเขาก็เชื่อว่าต้องเชื่อว่าอัลล์เนี่ยมีขอบเขตแมงั้นะถ้าไม่เชื่อว่าอัลล์มีขอบเสว่าอัลล์อยู่ทุกที่ดิแล้วถ้าอัลลอ์อยู่ทุกที่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่งานเข้าเลยนะเชื่อแบบนี้ไม่ได้ที่จริงในอาชาระก็ไม่เชื่อว่าอัลลอ์อยู่ทุกที่ แต่ชาวรานี่ไม่เชื่อว่า Allah อยู่ทุกที่นะแต่เขาบอกว่าก็ไม่เชื่อว่า Allah นี่มีเขตจํากัดหมายถึงว่า Allah อยู่เหนือโลกและก็มีขอบเขตนี้นะหันเขาเลยหั ด, ด, หดไม่ได้เชื่อไม่ได้เพราะถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเลาถูกจํากัดเลาเราเป็นพระเจา้าถูกจํากัดก็ไม่ได้เป็นพระเจา้าดิอะไรที่ถูกจํากัดนี้ไม่ได้เป็นพระเจา้าพอเขาได้ปักหลักไว้แล้วเนี่ย พระเจ้านี่จะต้องเหนือกว่าข้อจํากัดทุกทุกข้อเรื่องนี้นะเรื่องอลัลฮัตนี่นะก็ระหว่างสารับนี่ก็มีความขัดแย้งกันด้วยเชื่อเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้เพราะฮะดีสิมันก็มีความขัดแย้งว่าเป็นฮะดีซอยใหญหรือไม่ซอยใหญแต่ทั้งสงฝ่ายนี่ไปถามนื้ชายรา ม, มานยอมรับในสุนนะนาบีไหมยอมรับนี่ทั้งหมดไหมทั้งหมดสิ ไม่ยอมเร่ไงอ่ะชาวฮะดีสเนี่ยนักเรียนงานฮะดีสแล้วก็ผู้เรียนงานหะดีสในรุ่นหลังนี่หลังหลังอิมาอัชารีเนี่ยเยอะแยะนีเป็นนะชาวรจะบอกว่าส่วนมากนี่ก็ไม่ผิดบรรดาผู้รู้นะที่เป็นนักเสริงงานฮะดีสรุ่นหลังนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีตั้งแต่ศตวรรษที่ห้าขึ้นมาเนี่ยหมายถึว่าพันปีขึ้นมาเนี่ยอชาโรนเยอะเยอะไปหมดเลย ที่ไปที่มาว่าทำไมชาโรยเยอะนี่เล่าให้ฟังนี่มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเหมือนมัสยิดฮานาฟีทำไมเยอะที่สุดนี่เกี่ยวกับการเมืองเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราล่าให้เข้าใจเนี่ยไปถามมาชาโรเนี่ยเอาสุนนามเอานีสุนนามหมดเลยสุนนามหมดเลยไม่มีเอาหมดเลยอันนี้คําตอบรวมนะเอาหมดเลยและจะไม่เรียกเขาว่าอลุกสุนนามยไง ก็คนบอกว่ากูเอาซุนนาจะไม่ได้เขาเอาซุนนาไม่ได้กูเอาลุซุนนาได้ไงก็ทุกคนเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยทุกคนนี่บอกว่าเอาซุนนาเนี่ยเอาไปถามค้อหนึ่งเนี่ยบุคคลเรียกไมเอาเอาเอาหมดเลยตำราดี่สถามมาทีเล่มเลยนีมันเอานี่ซุนนาไนนดิชัรานีเป็นนักรงงานในระดับที่เขามีอิสนาเนี่เกี่ยวกับ ส่วนมากในบรรดาตราฮะดิษนี่อชายร้ต้องเร่งงานหมดเพราะตอนนั้นน่ะใครที่ไม่ได้มีสายรงงานเกี่ยวกับตาราหะดีษสักเล่มหนึ่งนะเขาไม่เขาไม่เชื่อถือเาต้องมีสายเร่งงานอิชารก็เรงานหมดเลยจะไม่ได้ว่าเขาอลูกศิษไไงราะบุครีส่วนมากนะซึ่งมีอัลลบางท่านได้นับชื่อหนังสืออธิบายัยบุคอรีนี่มีพันกว่าชาราะ แต่ะละรานีนะเป็นสิบสิบเล่มเลยนะพันกว่าชรานส่วนมากที่ชาวบุคคลนี่นะเป็นอาชาราจะมีเรียกว่าเขาอัลสุนนะได้ไงอัลสุนนะชัวชัวแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็ต้องไปไปไปพูดกับอาชาราด้วยสลับนี่ไม่ได้เป็นสุนนะได้ไงต้นตำรับของฮ ادي ทั้งบนเนี่ย คือสลับนี่เขาจะไม่เป็นสุนนะเด้งไงซาฮบะและจาบีอินใช่วิุนนะจะไม่เป็นสุนะนะเด้งไงสรุปแล้วอัลฮุสุนนะวะลัมจาฮเนี่ใครก็คือมุสลิมส่วนมากจาฮานี่คือจาฮะนั่นแหละคนที่นัน่งอยู่คนเดียวคนนู้นอะเวลาถามแล้วอยู่กับใครกาผมอยู่คนเดียว สุบุษนะบางสีไม่ต้องเครียดผมอยู ividual, ่คนเดียวผมชอบอยู่คนเดียวแต่มาถามคนอยู่ในกลางนอยู่กับใครเนี่ยผมอยู่กับจามาเนี่ยอยู่กับจามานี่ไงนะจะเรียกว่าใครอะลุลจามาเนี่ก็คนที่อยู่กับคนส่วนมากคนที่เข้าเชื่อว่ะพี่น้องที่อยู่ออสเตกิสถานที่อยู่สูดานที่อยู่แอฟริกาที่อยู่เอเชียที่อยู่ทุกที่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นจะมาของผมนี่อะลุลจามาแต่คนนี้บอกว่า คนนั่ น, นะตอนนั้นน่ะคนนั่นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่และใครที่ใช่ละ่ะใครที่ใช่ละ่ะก็มีเกาะยเกาะเกาะลเปะนี่อยู่อยู่ในเกาะอยู่คนเดียวนี่แห ล, ละแลแต่คนที่อยู่ในทวีปอื่นๆนั่นน่ะอันนั้นน่ะหลงหมดเลยไม่ใช่อกีดาเขานีิเพี้ยนบ้านเรานี่ยังมีโตคูดิสอน สอนนักเรียนที่ไปเรียนศาสนาหนิเขากว่ากมึงระวังนะจบสนวีเสร็จแล้วเนี่ยไปมหาวิทยาลัยนี่มีแต่อชัยร้อนนี่มึงระวังนะอย่าไปเรียนนะมหามีอชรนนี่อย่าไปอย่าไปเรียนนะมีที่ไหนอะมหาลยไม่มีอชรมีที่ไหนมีไมซาอุดีเ็มหมดเลยอชัรเต็มหมดเลย แต่ไม่ได้สอนแต่มีอาชารย์เราในมีดิเซอรดี้มีอาชาระในมหาวิทยาลัยก็มีแต่เขาอาจจะไม่ให้สอนเหมือนอาซฮัตน่ะอาซฮัตนี่สอนแต่อาชารยเราอย่างเดียวเพราะหลักสูตรนี่อาชารยราอาซฮัตนี่ในหลักสูตรนี่อาชารย์เราแต่มีบรรดาอาจารย์ปรมาจารย์ด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ที่เป็นสลัะไม่มีเพียมด้วยแต่เขาไม่ให้สอนเนี่ยแต่มีไหมมีสิมีเาอรดี้มีอาชารยเรามีแล้วก็บอกว่า อาบอกว่าอัาเนี่ยไปเรียนเพราะไม่มีไม่มีอกสลันี่ไม่จริงในอัษเนี่ยมีัมีคณะบดีที่เป็นสุนนะเป็นสลันี่ก็มีแล้วเรื่องนี้จะทาให้เราสบายใจสบายใจเวลาเจอพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยสัลมะลากุไม่ต้งไปคิดมากไอ้นี่มันสายไหน แ ม, นมนน่น้โขงหรือแม่น้านายหรือฮะรมาจากไหนอันี้สายนู้นหรือสายนี้อกิันนี้ีสายพิพิธภัณฑ์หรือสายเอ่อรกอนพิธภัณฑ์นี้ก็คือสายเกา่าพรกอนสายสายใหม่ ไม่นต้องคิดอะไรมากนะครับมุสลิมเป็นมุสลิมมาอัสลามอุฮะอัลลอฮฺบอกในอุกอ่านว่าและท่านพูดเป็นอัวขาดผู้ที่ให้สลามแล้วนี่นะไอ้มึงไม่ใช่มุสมินอย่าพูดเป็นอันขาดพูดไม่ได้เช่นเดียวกันอย่าสงสัยเลยนะไอคนที่ให้สลามแล้วนี่อันนี้อักติไดยังไงอักติไดใช่แล้มคิดแบบนี้นี่เพี้ยนนะคนนี้คิดแบบเนี้ยนั่นน่ะคนเนี้ยเพี้ยน ภายนอกเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยก็จบแล้วไม่ต้องขุดคุยไม่ต้องมามานั่งสอบสวนก่อนอ่านี้ก่อนมากินน้ําชากันก่อนกินน้านรรําชาไปครึ่งแก้วเนี่ยพอรู้ว่าอชายรอดเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อละไม่คุยต่อละทําไมเนี่ยทําไมทําไมทําไมในสังคมจะต้องจะต้องมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะมาคาร์เซริสมมาคาร์มาร์เซริสม แต่ก่อนนู้นเนี่มันมีนทหารในพลคนหนึ่งชื่อมารคาเตอร์ที่อเมริกาไอ้นี่มันบ้าคอมมิวนิสต์ใครที่เป็นคอมมิวนิสต์แกแกต้องสอยเลยต้องต้องหมายหัวเลยเขาก็เลยแต่งตั้งให้คนนี้เนี่ยแต่ก่อ น, นอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเริ่มคอมมิวนิสต์นี่มันเริ่มเยอะละหลังสงครามโลกที่สองโซเวียตนี่มันเริ่มรุกละเขาก็กลัวว่าในทหารอเมริกาจะมีจะมีคอมมิวนิสต์เขาก็มารคาเตอร์นี่ก็เลย ตั้งสารเตี้ยเลยคือใครที่สงสัยนี่นะอะไรงานไล่ไล่ไล่ก็เลยเป็นกระแสนี่กระแสถึงก็เป็นลทัทธิเลยนะใครที่แบบว่าไอนี่มันไม่ชัดไอ้นี่มันเคยเคยเจอหนังสือของของมาร์กซ์อยู่ในในในห้องสมุดของเขาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยบ้านเรานี่ก็เคยมี อ๋อนี่มันเคยมีนังสือแชร์อยู่ในอยู่ในห้องมันน่ยกูเห็นเองสแสดงว่าเป็นแชร์อะไรประมาณอะไรประมาณอ๋อนี่รู้นี่นี่นี่คำเนี้ยคำเนี้ยแต่ว่าอะไรนี่คำนี้เห็นไหมมันมีลึกๆนี่นะ่ยแสดงว่ามีความเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อคงคงสลับฝั่งนู้นก็มีเหมือนกัน น, น, นี่พูดแบบนี้นี่ยมันคล้ายๆมึงเหมือนคล้ายๆมีเชื่อว่าฮาบีป โอ้สังคมเหนื่อยมากเลยนะเรเหนื่อยมากเลยราแหวบางทีมาเนี่ยแต่งแต่งตัวนะแต่แต่งตัวใส่ใส่ซาบันใส่ชุดยังไม่ชัดสาบันมันยังไม่ชัดไม่สลามนะไม่สลามเพราะยังไม่ชัดเออเขาดูกันดูกันในสรบันนะดูกันในสรบันดูกันในหมวกดูกโต๊ะมันเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เลยนะ ไม่ใช่เลยดูลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่วิชาการเลยนะมันไม่ใช่วิชาการเลยอยูมุสลิมมุสลิมอะสละวะอันนี้มุสลิมยังไงครับพี่น้องสบายดีด้วยความสบายใจด้วยได้ละได้พี่น้องมาละคนหนึ่งละและวก็ไอ้ประเภทนี้เนี่ยนะประเภทเนี้ยที่เคยบอกกับชาวบ้านบอว่าไปละหมาดมสซีดเนี่ยไม่ได้ทําไมอ่ะอากีดา้านี่เพี้ยนกันทั้งนั้นอะ เขาก็ไปละหมาดกันที่ไหนละหมาดอยู่าที่บ้านคือละหมาดที่มัสซิดเนี่ยไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่ในทางท่านนบีแต่ละหมาดอยู่าที่บ้านเนี่ยดันเป็นซุนนะใช่ไหมขุดบ้านที่บ้านนี่นะขุดบ้านนี่ลุดแล้วทุกคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงรุดนี่บอกว่าพี่น้องต้องระวังนะนี่แม้กระทั่งคนที่ตาว่ารอบกาบ้านนี่แปสบซนเ่ยเป็นกาเฟิคนที่ตาว่ารอบกาบ เพราะอะไรเพราะคิดแบบแบบมั่วซั่วไงช่วยช่วยคนดีคนทีนเชื่อแบบออชายรอดนี่ไม่ใช่มุสลิมเป็นความเชื่อที่ตกศาสนาคิดแบบนี้ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นกระแสะก็แวะนิดนึงนะครับไม่นิดและเยอะเกินไปอัี่มีเรื่องวงนนี่มีเรื่องสำคัญนะอายานี้ อลัลลอฮ์ได้พูดจังว่าผู้ที่มีอภิสิทธิ์ให้ทางนํำนี่คืออัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ควรแก่การที่จะสักการะอื่นจากพระเจ้าจอมปลอมอื่นที่ไม่สามารถมอบทางนำฮีดายะให้แก่ใครซึ่งฮีดายะนี่ที่เราจะได้มานี่ทางนํานี่ก็ทางนําที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องมีความเชื่อมีความเชื่อมั่น ว่าพระ อ, องค์นี่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและอะไรที่จะยืนยันกับเราอะว่าพระเจ้อาองค์เนี้ยอัลลอฮ์เราเนี่ยคือพระเจ้าที่แท้จริงและพระเจ้อาอื่นเนี่ยจอมปอมหมดสำหรับอิสลามนะไม่มีอะไรจะมายืนยันในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากคุรานและทุกวันนี้ที่ที่เราเรียนรู้คุรานเนี่ย เราพยายามเสริมสร้างความรู้จักมากขึ้นกับพระเจ้าเสริมสร้างตัวบทหลักฐานที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นในพระเจ้าที่แท้จริงในบรรดาวิชาการขแขนงต่างๆที่ได้มาจากกุศลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมาสนับสนุนความเชื่อให้เราเชื่อแบบย็เก็นแบบล้านเปอร์เซ็นต์ะพระเจ้านี่คือพระเจ้าที่แท้จริง ฉะนั้นคุฎอานนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพิสูจน์เรื่องนี้สุรยูนุเสียงที่บอกตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเป็นสุระที่มาโต้เถียงกับชาวมุสลิมในเรื่องนี้เรื่องที่เขาไม่ยอมรับในคุฎอานนี่มาเถียงกันในเรื่องคุฎอ่านนี่ยหัวกะทิดของสุรยูนุสนะมันอยู่ในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะในอายานี้โดยเฉพาะในอายานี้อัลลอฮ์บอกว่ากุฎอานนี่เป็นเป็นเป็น เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์ได้จริงอัลลอฮ์สัจจริงพิสูจน์ยังไงอ่ะพิสูจน์ในการประทานลงมาของคุรานว่า م ักการะฮะดัล ا ุรานุอายุฟตรอหมินาฮ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من ر ب العالمين อัลคุรานนี้ไม่ใช่จะถูกปั้นแต่ง ขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลล์กุรอานไม่ใช่เรื่องที่จะปั้นขึ้นมาง่ายๆเนี่ยโดยอื่นจากอัลล์นี่จะสามารถอาจารย์เด็กใช้คำว่าอัลกุรอานนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกเรียบเรียงอื่นจากอัลลอ์ซึ่งน่าจะเหมาะกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีความเข้าใจว่า อัลกุรอานนี้มิใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจาก AH, อัลลอฮฺมาจงอัลลอฮฺจะปั้นนะมันก็อาจาอาจะจจะเข้าใจแบบนั้นนะซึ่งมันไม่ค่อยสวยสำนวนนะนีมันไม่ค่อยแต่ถ้าใช้คำว่าและอัลกุรอานนี้มิใช่จะถูกเรียบเรียงขึ้นโดยผู้ใดนอกจาก AH, อัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นผู้เรียบเรียงเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็เข้าที่เข้าทางหน่อย เอไม่มีใครสามารถเรียบเรียงกุรานี้นอกจากอัลลอฮ์คำว่ายุฟตรอยุฟตรอนี่หมายถึงอุปลโลกไม่มีใครที่จะสามารถอุปลโลกกุรานอุปลโลกคำพีแล้วก็มาอ้างว่าฉันเป็นพระเจ้าไม่มีใครสามารถทำอย่างนี้ได้แต่กุรานนี้เนี่ยเป็นคำพีที่สามารถยืนยันได้ว่าพระเจ้าจริงๆคืออัลลอฮ์ ว่าแลกกินทำไมอะว่าแลกินแต่เป็นการยืนยันคําภีรนี้กุตอา น, นี้เป็นการยืนยันคําภีร์ที่มีมาก่อนบีที่มีมาก่อนนะกุตอานี้มายืนยันยืนยันในเรื่องอะไรสํานวนเนื้อหาความจริงรายละเอียดที่เขาขัดแย้งกันะนะกุตอานี้จะมาจะมาชี้ขาดเรื่องนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการจําแนกตัซีเลลกีตบจําแนก ข้อบัญญัติต่างๆและไรบฟีไม่มีข้อสงสัยในคัมภีร์นั้นเป็นรับบิลอาลามีนซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งสากลละโลกตลอดประวัติศาสตั้งแต่กุานถูกประทานลงมานะตั้งแต่กุานถูกประทานลงมานะมีแต่คนที่ยึดมั่นในคัมภีร์ก่อนมามานั่ถือคัมภีร์กุานแต่ไม่เคยพบนะ ค น, คนนี่ศึกษาคุตตานเขามีคุตตานนี่ Ramadan, แล้วก็ออกไปนับถือคำภีอื่นยังไม่พบแต่มีเนีคนที่ออกจากศาสนาอศาสนามีแต่เป็นคนที่เชี่ยวชาญในคุตตาไม่ไม่ไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, มีออกไปนับถือมีนะคนนี่คนนี่เคยเชี่ยวชาญในคุตตานเนี่ยแล้วก็ออกจากศาสนานี่ออกเลยแต่ไม่ได้ออกไปไปไปนับถือเอ่อคำปีอื่นทํำไมอะ อย่ายกตัวอย่างหูขยกตัวอย่างคนนี้เนี่ยเพราะเป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะในวชนรุ่นนี้เนี่ยที่มีความความความหลงเชื่อหน่อย s h คอั h a b d u l l a l Qasimi Sheikh Abdullah Al Qasimi เนี่ยเป็นอุลามาอกีดะที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตำราของเขานีนะบรรดากิบัฟอุลามาเนีเชี่ยมตุลลาะกะซมีรุน่นเชี่ยบินบาสนะตำราของเชีอยมดุลลาะกะซีมีเรื่องอักีด้านีนะโดยเฉพาะตอบโต้ตอบโต้ศา ส, สนาอื่นความคิดอื่นนะอุลามาเขาให้ชายาว่าเป็นตำราเพชรเพชรเพชเมนมีคุณค่าสูงมากอับดุลลาะกะซีมีเนี่ยบั้นปายชีวิตนี ทิ้งศาสนาเลยทิ้งศาสนาอิสลามไปเลยนะแล้วก็ลี้ภัยออกจากประเทศซาอุดีอาระเบียไปอยู่ที่ประเทศอีบตอนนี่ผมเรียนที่ประเทศอียต์เนี่ยแต่ก่อนนู้นผมก็ไม่รู้จักแต่นั่งรถกับอาจารย์ผมคนหนึ่งและอาจารย์ผมคนนี้เนี่ยก็นั่งนั่งอยู่กับผู้รู้ชาวสานเขาวุโสบองคนอายุมากแล้วอะ เขามาถึงหมู่บ้านที่หนึง่งเขาก็บอกกับอาจารย์นี้จอดจอด จ, จนีจน้จอดตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปไหนอ่ะผมไปธุระนึ่งไปไหนบอกนี่ไปไหนบอกกันเนี่ยอับดุลละกซีมีนี่บ้านอยู่ตรงนี้อาจารย์คอ่ะอับดุลละกซีมีเนี่ยที่มุตัน ด, ด น, นทัที่ออกคือเขาออกจากศาสนาแล้วก็มาด่าทอนะด่าท้า ด, าดา่าทอศาสนาอิสลามแบบเละตุ้มเป๊ะเลยอับดุลละกซีมีอยู่ตรงนี้ เขากคนนี้เนี่ยทำตัวเลิกก็มีที่มันต่าศาสนาที่มันออกจากที่มันนีซาอุดีเนี่ยไปเนี่ยเพราะซาอุดีเนี่ยคือมหมายหัวเนี่ยถ้าอยู่ซาอุดีเนี่ยตกนั่นเลยอ่ะประหารชีวิตเลยไปอยู่ที่อิบเขาก็ใช่นี่นี่เอาเปียียบก็ทาไมอ่ะตัวเาเพื่อคุยก็เขาอเื่อเื่ออัลล์จะจะฮิดายะเขา อ, า, า, า, า, า, าอยากรู้ว่าอัลลฮ์ฮิดายะไม่ฮิดายะอยากรู้ม เราอธิบายนี่ก่อนนะอ ย, อย่าให้เขาสำคัญกว่าคุณอ่านนะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเล่าให้ปังอีกทีแต่กำลังจะบอกว่าคนที่เรียนอากิได้แบบอากิได้สลับเนี่ยไม่ได้หมายรัวมวั่วเขาจะปลอดภัยนี่หมดแล้วอาชารอ์ที่ตกศาสนามุตดตัดออกมาดอดแสตดศาน ส, สนาเกิรมีเหมือนกัน งบอกว่าอาละคนที่เรียกอีกั้สลับนี่หมายถึงว่าจะแม่นจมะมัไม่ไม่ไม่ไมไมเป็นอย่างฮิดายาบอกว่าหิดายาอยู่ที่อัลลอฮ์ไงฉะนั้นอย่าหลงตัวเองและอย่าหลงคนอื่นสิ่งเดียวเนี่ยที่เราจะต้องเชื่อมั่นเลยอย่าเชื่อมั่นคนคนคนนี่ไม่แน่นอนวันนี้เป็นยังไงพวกนี้บางคนไม่รู้แต่เชื่อมั่นในเรื่องเดียวที่จะไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนี่ที่เรากาลังเรียนอยู่ที่ ไม่เปลี่ยนแปลงพันหร้อีพิสูจนพิสูจน์ให้เห็นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่อักษรเดียวศึกษานี่เชื่อมั่นในเรื่องนี้จึงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชาวคำพีเนี่ยมีแต่ออกจากคำพีข้อเนี่ยมาเอาคำพีคุตอากาแต่ไม่เคยมีในคนที่เชี่ยวชาญในกุอา น, น้วก็ออกไปยึดมั่นในคำพีอื่นๆนี่ไง ตัสดีกัลรีเบยในอดีตเป็นการยืนยันคมพีที่มีมาก่อนไม่คือคำพีที่มีมาก่อนเนี่ยใครรู้นะเขาบอกพออ่านกุศอ่านแล้วนีตอนนี้สอบว่าอุทยพไปฮามาชาแล้วก็ชาวกุศลก็ส่งคนไปใส่ได้ซาฮาบ้าที่อุทยพไปเนี่ยพวกนี้มันมันดูถูกศาสนาคริสตเพราะนเาชีตอนนั้นเป็นคริสเนี่ นี่ดูถูกศาสนาคริสต์นี่มันดูมินท่านนบีอีซานอย่างเงี้ยนักญาชีก็เลยให้สัฮาบานี่มาอธ่บายนี่ศาสนาเป็นยังไงก็สัฮาบะมาอธิบายนี่กูอ่านเป็นอย่างงี้แล้วก็อ่านส่วนหนึ่งของโซลิตมาริยมอธิบายเรื่องการเกิดของท่านนบีอีสานนักญาชีเขาบอกว่ซึ่งเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นตักตรกรุ่นนะส่วนมากนี่กษัตริย์นี่จะเป็นจะเป็นผู้รู้ มีความรู้ในคัมภีร์ไบเบิลนี่มากที่สุดนายาชีพอฟังพอฟังกุฎอ่านบอกกับสาบ้านี่ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าตะเกียงหมายถึงว่าแสงสว่างที่กุฎอ่านนี่มาจากมันมาจากตะเกียงกับแสงสว่างของไบเบิลที่มาจากตะเกียงนี่มาจากตะเกียงเดียวกัน แสดงว่าเขาเขามีความรู้เกี่ยวกับไบเบิลคำพีอินจีอยู่แล้วใช่ไหมพอเขาฟังคุรานเฮ้ยเนื้อเดียวกันมันมันมันเป็นรัศมีเดียวกันความรู้สึกเนี่ยตัดส e ิ่งที่ัม่ในใจให้คำพีกุรานนี่จะยืนยันนว่าว่าเนี่ยคำพีรุ่นก่อนนี่นะมาจากพระเจ้าองค์เดียวถ้ามาจากพระเจ้าองค์เดียวแล้วเนี่ยแสดงว่าคำพีสุดท้ายเนี่ยต้องมาเชื่อดี เพราะเป็นคําพิสุดท้ายของพระเจ้าองค์เดียวที่สรงคำภีรก่อนหน้านี้มาและอไรบัฟี่ไม่มีข้อสงสัยในคมภีร์นั้นที่มาจากพระเจ้าแห่งสากลลโลกอา้าวอุตรานนี้ถูกประทานลงมาเพื่อ ย, ยืนยันในคำภีรก่อนแต่นี่ยังไม่รู้เลยยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่ากุตรานนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์จริงจะพิสูจน์ยังไง กัคัมภีร์ก่อนนี่สาหรับชาวคัมภีร์นะสาหรับชาวคัมภีรเนี่ยอรุณกิตานะซึ่งตระก่อนู้นอับลเนี่ยเขาจะนับถือชาวคัมภีรคเขามีความรู้มากกว่าเราก็ไปถามชาวคัมภีรอัลล์บอกกับท่านนบีแล้วก็ชาองกุนตเฟิรัยบิมมะอันซาลกะฟาสอัลลัลลัดีนาัคราอูดะลกิตาบะบินกับลิกถ้าเจ้านี่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคัมภีร์นี่เนี่ยไปถามเลยชาวคัมภีรุ่นก่อนนี่เขาจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยคุรานนี่เป็นสั เอาแล้วคนนี้ไม่ได้เป็นชาวชาวคัมพีล่ะไม่ได้เป็นฮุลกิตาเขาก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้ศึกษาไบเบิลหรือตารรษมาก่อนแล้วเขาใจรู้ยังไงว่ากุรานนี่มายืนยันในข้อมูลที่มีอยู่ในตารรษและอินดียอัยนี้มาให้คําตอบอามีกูลูนัฟตวรรษหรือพวกเขากล่าวว่าเขากล่าวเขากล่าวหาว่าท่านในมุฮัมมัดเขาเนี่ท่านในมุฮัมมัดนี่ยเป็นผู้ ปั hehe, ้นแต่งขึ้นมาหรือว่าเขาจะกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอุปโลกุตข์อานขึ้นมาแต่งกุร์อ่านแต่งกุตอ่านขึ้นมากลจงกล่าวเถิดโอ้หัมมะจงาวเฝตูบีซูรติมิสลีฮิเ้าตูบิซูรตินมิสลีฮิพวกท่านจงนามาสักบทหนึ่งนามาสักบทหนึ่งสักสักสุรหนึ่ง ทั่ท่านเนี่ยจงนํามาหมายถึงว่าแต่งมาสิสักสุรหนึ่งให้มีความเหมือนกุฎอ่านให้มีความเหมือนกุฎอ่านสักสุรหนึ่งในเมื่อพวกเจ้ากล่าวหานาบีมุฮัมมัดว่าเป็นผู้แต่งกุฎอ่านใช่ไหมแล้วมุฮัมมัดนี่เป็นใครก็เป็นคนหนึ่งในหมู่พวกท่านและในเมื่อมุฮัมมัดนี่สามารถแต่งกุฎีอ่านทั้งเล่มแบบนี้นะ่ะเอาพวกท่านเนี่ยคงเก่งกว่าน ม, มีมุฮัมมัดไง ก็แต่งมากไม่ต้งแต่งคุตตาทนนั้งเล่มมานะแต่งสักบทหนึ่งสักส่วร้อยหนึ่งซึ่งการท้าทายนี่นี่นะในยุคอาหรับเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ตายเลยอ่ะคือเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมอาหสังคมอาหรับนี่ตะก่อนนู้นอนะ่ะเขาไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีศิลปศาสตร์ไม่มีศิลปศาสตร์นี่มีสมัยสมัยท่านนบีมูซ่าเนี่ยฟาโร่ เขเล่นของกันเก่งมากเลยมัอิศาสของท่านนบีมูซาก็เลยต้องมาสู้กับนักเสศาสใช่ไหมสมัยท่านนบีอีสานี่โรมันนี่เขาเก่งเก่งกันเรื่องแพทย์โอเก่งรักษาเก่งมากท่านนบีซาก็เลยต้องรักษาสิ่งที่พวกรักษาคนตาบอดนี่มองเห็นเฉยอะไรอะไรอย่างนี้อันนี้นี่น่าทึ่งสําหรับคนที่เขาเก่งใช่ไหมแต่สําหรับอาดับนี่เขาเก่งเรื่องอะไรอ่ะอาดับไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยอุตสาหกรรมก็ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีไม่มีอะไรมีภาษาเด่นที่สุดเลยเด่นกว่าเชื้อชาติอื่นเด่นกว่าอะไรทาอื่นเรื่องภาษาเขาให้ความสำคัญกับภาษาขนาดที่คนจะสำคัญนะในสังคมมานะสองคนหนึ่งคนที่แต่งกลอนเป็นนะ อันนั้นน่ะคือคนสำคัญเลยเหมือนปัจจุบันนะ่ะคนที่เป็นนักสื่อนักข่าวเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิทยากรเป็นเป็นเจ้าของรายการหรือเป็นดาราเนี่ยจะสำคัญจะเด่นไงแต่ก่อนนี้น่ะคนที่แต่งกลอนนี่นั่นคือสุดยอดแล้วดังที่สุดสองคนที่จะดังนี่คือคนที่ถูกยกย่องจากนักแต่งกลอนเนี่ยคนในสองนี่ถึงจะถึงจะดัง ทำไมอ่ะกรอนนี่มันตะกอนนูนเเหมือนกุณอ่านเลยนะกรอนน่ะนะถ้ามีกรอนเนี่ยเขาไปจําเพราะมันจะสวยเนี่ยคือเขาเขาาฟังแล้ว ก, ฟวก็ฟังแล้วมีความสุขอ่ะทุกทุกที่เลยทุกทุ ก, ท ก, ท ก, ทกภาษาเลยนะกรอนนี่มันจะมันจะไพเราะมากกว่าคําพูดธรรมดาธรรมดาถึงขนาดที่อาหรับเนี่ยนักแต่งกรอนเนี่ยเขาจะแข่งกันถ้ากรอนของของใครที่มัน สละสลวยมีความไพเราะเนี่ยเขาจะเขียนแล้วก็แขวนที่กาบ้านเลยถึงเขาจะได้กันหมอนแล้วก็นี่กรอนนี่ก็อถูกแขวนที่กาบ้านนี่คือกรอนที่แบบเป็นนักกวีคนที่เขาดังมากเพราะเรื่องภาษาในในสังคมอาหรับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากฉะนั้นนบีเนี่ยพอเอากุตอ่านมาอ่านเนี่ยพวกนี้เนี่ยเาเก่งเเก่งภาษาอาหรับ เขาบกว่าสำนวนคุณอานนี่กรอนก็ไม่ใช่ะเป็นวรนณคดียังไงเป็นนิทานก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่เหมือนอะไรเลยมันมันเป็นสำนวนแตกๆอะสำนวนที่เราไม่เคยพบมาก่อนก็เลยยอมรับว่าคุณอ่านนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยไม่เคยพบมาก่อนแต่ไม่ยอมศรัทธาจึงกล่าวหานาบีว่าอุปโลกขึ้นมาอะสมมุติว่านาบีอุปโลกจริงใช่ไหมและนบีเนี่ยก็เป็นคน คนหนึ่งในหมู่พวกท่านนี่แหละถ้านอีอุปโลกะ์จริงนะภาษานี่พวกคุณก็เก่งอยู่แล้วนี่อันนี้นี่ไม่ไม่ตายเลยนะภาษานี่พวกคุณก็เก่งอยู่แล้วนี่อา้าวท่านอับดุลาได้เนะี่ยพวกคุณก็ต้องทําได้คือถ้าเขาบอกว่าเออเราทําได้แล้วเดี๋ยวจะแต่งกุณอ่านให้นี่นะจบเลยทําไมอะ่ะไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าเพราะไม่มีใครสามารถ ทำได้จริงทุกวันนี้เนี่ยพัน0ร้อยกว่าปีแล้วนะนี่อย่างนี้มีใครสามารถอุปราคาเนี่ยไงสวยเหมือนพุอ่านเคยมีผู้รู้คนหนึ่งเมื่อสัว์ทีประมาณสัตว์ที่สมคือเขาพยายามที่จะเชื่ออากิดาเนี่ยแบบมีเหตุมีผล แล้วผู้รู้คนนี้เนี่ยเขาเก่งภาษามากเขาก็อ่านอายานี้เขาบอกว่าแล้วทําไมเนี่ะทําไมอารามเขาจะแต่งอะไรเหมือนกุอานจะแต่งไม่ได้เนี่ยกูนี่แต่งได้นี่หรือจะทำให้เขาอยากจะพิสูจน์กับตัวเองว่าไอา้ต้องมีเหตุมีเหตุมีผลหน่อยเขาก็ไปอยู่กับบ้านเนี่ยเป็นสิบสิบวันเลยนะเพื่อจะได้แต่งแต่งแบบว่าบทที่มันมีความสวยงามเหมือนกุอานก็ยุ่น แล้วก็มีอยู่ stroke, C, ครั้งหนึ่งแกก็ถือเนี่ยเอกสารนี่แกก็พยายามพยายามมาพยายามเขียนบทเหมือนกุศลอ่านสักซูร้อนหนึ่งเนะเขียนแล้วก็เดินทางไปกลับบ้านน่ยไปก็ไปเจอท่มซิดนี่มีครูสอนกุศอ่านกับเด็กสอนกุานกับเด็กสอนอะไรเ่โกลุอัลลอฮุอะฮัดเด็กลุอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซน อัลลอฮุสาามะฮ์เขากนั่งยืนสักพักหนึ่งกับเอกสารที่ได้เขียนเป็นสิบสบวันนั่งเขียนอยู่นชีกหมดเลยก็ไม่ได้เป็นไ ป, นปนไม่ได้เป็นไปนไม่ได้ที่จะที่จะแต่งแต่งสำนวนเหมือนอัลกุรอานสิ่งท้าทายเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะแล้วความเกลียดตอนนั้นนาะ อาหรับนี่เขาเกียรติมุสลิมเกียรตินัมีมุฮัมหมัดน่เกียรติขนาดไหนอ่ะเกียรติมากเลยอะ่ะและสิ่งท้าทานี่มันน่าจะเป็นทางรอดใช่ไหมโอ้โยมาแล้วนี่ต้องการใช่ไหมถ้าเขาอยากจะเอาไม้เด็ดนี่มาถล่มท่านนาบีทำอะไรอะ่ะก็แต่งสิสักสุรนหนึ่งแต่งไปเลยแต่ปรากฏว่าไม่มีใครทำา อันน no ี well increase, ้เนี grasp, ่ยคือไม่ตายเลยที like ่อัลลอฮ์บอกว่าท้าทายบอกว่าไหนว่าพวกเจ้าบอกว่าในมูฮัมมัดอุปโลกแต่งขึ้นมาเนาะพวกคุณเนี่ยไม่ต้องแต่งกุฎอ่านทั้งเล่มนะเอาแต่งเฉพาะสุรเดียวอุลเมาบอกว่าสิ่งท้าทายของอัลลอฮ์เนี่ยท้าทายด้วยสุรที่สั้นที่สุดในกุรานสุรที่สั้นที่สุดในกุรานนี่คือสุรอัลกอุธร์อินนาติสอินาตินักอัลกอุาร์ بصلي لربك وانحر إن ش ا ن ك هو ا ل أ ب ر ه ي ا س م ن و ك ا แต่ง س م ن و ك ا ยังไม่มีใครสามารถทำได้เลยอานักแต่งกลอนคนที่เขาเกียรชังท่านนบีมุฮัมมัดขนาดไหนนะไม่สามารถทำได้ที่จริงเนี่ย ا ل ل ّ سبحانه وتعالى ใน سورة الإسرائلي ได้ท้าทายก่อนหน้านี้เนี่ยอิสรามเนี้เป็นอิสลามเนี่เป็นสุรที่ถูกประทานลงมาช่วงแรกๆส่วนมากกันนะช่วงแรกๆไม่ใช่แรกๆอิสลามเนี่เป็นสุรที่ถูกประทานลงมาก่อนซูรัดยูนุสช่วงช่วงก่อนท่านนาบีอุพยพอุพยพปีหนึ่งแต่นบีได้อิสลามนี่ก็คือเรื่องอิสลามไปจากมากักกะไป ไปไปมัสยิดลักซอนี่นะอันนี้ก่อนอพยพประมาณ6เดือนส่วนหนึ่งของอิสราเอลต้นต้นนิ น, น, น, นนะถูกประทานลงมานีนชว่วงก่อนนบิอพยพหกเดือนแต่สว่วนท้ายท้ายของซนิสระนี้มาก่อนซึ่งในท้ายท้ายสุรษะอิสราเอล Allah ได้บอกว่ากุลละอินิจตมะอติลอินซูวะลจินู على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظ ه ي, أن ي, ه ي ع ر أني ان أ ن ท้าทายยิ่งให่เลยถ้ามนุษย์ทั้งหลายไม่เฉพาะอาหรับนะมนุษย์ทั้งหลายอินสไม่พอนะวลยินอาหรับนี่เขาเชื่อว่าพวกยินเนี่ยเขาเก่งภาษาเหมือนเขาเก่งภาษาแล้วก็ที่มักการนี่ยเขาจะได้ยินบ่อย เวลาเขาเดินทางกันที่เปลี่ยวๆเนี่ยตามตามเดินเขาจำเป็ น, เ, นเขาจะได้ยินเสียงยินเนี่ยอ่านกรอนอาจจะมีกรอนทุกวันนี้เนี่ยในประวัติศาสตร์นี่จะบอกเป็นกรอนของยินเอเล็บบอกว่าไม่ใช่ ม, มนุษย์อย่างเดียวนะยินด้วยมารวมตัวกันอนะอาลาอัยยตูบีมิสลีจะได้เอาเสมือนกุรานเนี่ยกุรานที่นบีได้รับมาเนี่ย และอย่าตูนนะมีมิสลิฮีไม่สามารถที่จะนํามาอะไรที่เหมือนกุรานี่วะเราเกานะบางดูฮุมลรบางดินซาฮีเราถึงแม้ว่าท่านยินแล้วก็มนุษย์เนี่ย ม, นะมารวมตัวกันนะมันทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันนะนะก็ทําไม่ได้อันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆอย่าว่าจะให้มีคนเดียวแต่งนะ <laughs> เอามนุษย์ทั้งหมดเอายินมาด้วยมารวมตัวกันจะได้แต่งกุรานเนี้แต่งไม่ได้อ้แล้วมาบางท่านบอกว่าถัดมาเนี่ย الله ت د ا ثاية د 10 سوره في سورة هود، سين س و ر ه قادم من, من سورة يونس.ني،. ตอนแรก نثا ثاية دوي قرآن تانقلم،.أوما مثل قرآن تانقلم نعم؟،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،.،. แต่เราท้าทายด้วยสิบซูรอและซูรยูนุสเนี่ยเราท้าทายด้วยซูรอเดียวกุระนังเล่มไม่ไหวเอาสิบซูรอก็ได้ไม่ไหวเอาซูรอเดียวก็ยังไม่ไหวอันนี้อิบนีกะซีรได้บอกว่านี่คือลำดับการท้าทายแต่มันมีมันมีประเด็นหนึ่งซูรยูนุสและกูรูและก็ยูส กุตอ่านนะสามสุราในตามลําดับเนี่ยเป็นสุราของชื่อนบีทั้งนั้นยูนุสและก็ฮูดฮุก็ชื่อน บ, บนะนีแล้ว ก, ก็ยูซุฟเป็นสามสุราที่ถูกประทานลงมาตามลําดับนี้เลยนะซึ่งลําดับของกุตอ่านเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ได้ถูกประทานลงมาตามลําดับมันเคยมีกุตอ่านอยู่เล่มหนึ่งที่ถูกรวบรวมตาม ลำดับสุระที่ถูกประธานลงมาเขาบอกว่ามีรายงานบอกว่ากุฎาเล่มนี้ท่านอาลิบเบอร์ตเป็นผู้รวบรวมท่านจะเขียนกุอานนี้นะตามลำดับสุรที่ถูประทานลงมาทั้งหมดเลยทั้งเล่มเลยแต่หลังจากนั้นนะพอรวบรวมรวบรวมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสหายบาสหายบาเนี่ยเขาวุนิจฉัยกันว่าจะลำดับสุระอันไหนมาก่อนอันไหนมาที่หลังเนี่ยแล้วก็ลงเอกฉันว่าไม่ต้อง ยึดไทม์ไลน์ของของสุรไม่ต้องยึดประวัติของแต่ละสุรใหม่หยึดความเหมาะสมฉะนั้นการการลำดับสุรต่างๆเนี่ยในกุตตานนะนะเป็นการลําดับของใครของสอบอะและด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลนี้ถ้าเราจะอ่านสุรในละหมาดเนี่ยอ่านสุรตามลำดับคุตตานอันไหนก่อนอันในหลังนี่ไม่มีปัญหาอ่านสุรจะมาอ่าน คุณว่าลาวคุณว่าลอ่านคุณอัลลอฮฺว่ารับบินนัสระกาดะแล้วระกาดิสนี้อ่านคุณว่าลาวหัดได้ไหมได้ทั้งนั้นดีตามลำดับอักุรอานเนี่ยะคุณคุณว่าลาวหัดมาก่อนเฮก่อนุรคอัลลอฮฺว่ารับบินนสแต่ลำดับสุรานี่แต่ลำดับอายะห์ละลำดับานี้ไม่ได้อันนี้นบีเป็นคนสั่งเองอายะห์ในสุรานีนะไม่ได้จะมาอ่านจะมาอ่าน ทก่อนต้นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ควรแต่เด็นอยู่ที่ว่าสุรัยูนุสมาก่อนฮูตมาที่หลังยูซุฟมาที่หลังตามลำดับนี้เลยนะแสดงว่ายูนุสมาก่อนนี่ในยูนุสเนี่ยคุหลาตุบิสูรัตนี้ไม่สิพวกเจ้านี่จงแต่งมาสุราเดียวบทเดียวสักบทหนึ่งสูรัตฮูต Allah บอกว่าคุณฟัตัวโดย10ซูรร์นมหลมุฟตรายะเพวกะถ้าเนี่ยถูกตั้งมา10ซูระร์มุฟตรายะที่ถูกอุปโลกมาเนี่ยเอามาเอาไหนว่าลำดับว่าท่าไทยด้วยคุณอ่านทั้งเล่มลำดับที่สองท่าไายด้วย10ซูระร์ลำดับที่สามอันนี้มีกระซิบเป็นคนพูดนะลำดับที่สามเนี่ยท่าไยด้วย1ซูร์ร์ แต่มันไม่ได้ลําดับตามนี้เพราะไอ้สิบซุ拉นี่นะสิบซุ拉เนี่ยมันมาที่หลังซุ拉เดียวนี้มันมาก่อนซุ拉เดียวนี้ก็คือยูนุสสิบซุ拉นี่ยูหุดหูดมาหลังยูนุสและลําื่อนนี่มันจะเป็นยังไงในค้นหาคําตอบในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เจอนะแต่คิดว่าการอธิบายมันอยู่ที่เนื้อหาของแต่ละไอะ อันนี้อัลลอฮฺให้ถ่ายสุราเดียวนะมิสลิฮฺ بصورة มิสลิฮฺหรือสุราเนึ่ยเหมือนสุราในกุษุนเอาให้เหมือนน่ะหมถึงว่าให้มีความสวยงามเหมือนสุราไม่ได้ไอสุราเหมือนนี่มันคงจะยากอะไรจะเหมือนนี่มันคงจะยากไม่ต้องเอาเหมือนก็นได้สุราทูนิที่มาที่หลังเนี่ยลำดับที่สองเนี่ย คุณฟะตูบี عشر ีสุรินมุฟตรยาตินไม่ต้องเหมือนก็นได้เอาสิบสุราที่มันดูเหมือนมันมั น, มนถูกอุปโลกก็ได้แต่ให้มันดูเหมือนอันนี้ลาดับที่สองซึ่งมันจะลดความง่ายเอามาจากไหนเอามาจากคำว่ามุฟตรยาตินอันนี้อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ถูกตั้งไว้เป็นเงื่อนไขในการท้าทายเอาไม่ต้องเหมือนก็นได้ ควมนี้มิสลีห์แต่นุไม่ใช่มิสลีห์มิชิฟัตุ์ by 10ซูอรองมิสลีห์มุฟมิสลีห์อย่างเดียนะมิสลีมุฟตรายาตินมุฟตรายาหมายถึงว่าเหมือนอปลกุกขึ้นมาก็ได้ให้มันมีดูเหมือนว่าเป็นของมนุษย์ก็ได้อันนี้ก็ไม่ไหวแต่นี่คืออุลามานี่บอกว่านี่คือหลักฐานทุกอายะที่เป็นการท้าทายให้แต่ง กรอานขึ้นมานี่คือหลักฐานยิ่งใหญ่ของความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่ไม่เชื่อในอิสลามนี่นะมีโอกาสที่จะถอนหรือถอนโครงสร้างของอิสลามทั้งหมดเลยโดยวิธีเดียวไม่ต้องไปสร้างมหาวิทยาลัย ไ, ไม่ต้องไปเขียนหนังสือตำราเป็นพันๆเล่มจะได้ ตอบโต้เรื่องเรื่องหลักชริอัลเรื่องอระรุตคือมันมันเหนื่อยอ่ะองค์รัมบอกว่าพวกคุณไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นพวกคุณเอาสูรเดียวเอาสูรเดียวนี่แต่งขึ้นมาคือสิ่งที่มันมันน่าทึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาทํเาเขาพยายามทําแล้วก็ไม่สาเร็จนะ ไม่ใช่คือที่ปรากฏว่าไม่มีใครพยายามอ่ะนึกออกมาคือไม่มีใครมาเฮ้ยแล้วกันขอเวลาขอเวลาสักสิบปีขอเวลาสักสักร้อยปีขอเวลาสักปีหนึ่งแล้วก็ระดมงบประมาณโคเซตนี่แครที่จะรณร ง, รงกองทัพนี่ ม, มายึดจะได้ทําลายมุสลิมพวกนี้มั น, นสันางจะได้ยึดประเทศมุสลิมทั้งหมดนี่โอ้แทนนี่จะถลม่มโลกมุสลิมเนี่ย คนงบประมาณแล้วก็คนตายไม่รูนนะ้เป็นสิบล้านนะ่ยเป็นสิบสิบล้านน่ยคํามโคเสต์กร็รวมงบประมาณนี่รวมคนแล้วก็มาอุปโลกสักสุร้อนหนึ่งแล้วจบในมูซิมโคดพอเห็นแล้วในมูซิมโคดจบไม่เชื่ออิสลามแล้วจบเลยเพรากคุณไม่ต้องมาต้งไม่ต้องมาสู้รบเลยเดี๋ยวก็ยึดง่ายๆทํ า, าทไมไม่ทํากันละ่ะง่ายเหลือเกินน่ะหรือถอนอิสลามเนี่ยด้วยการรณรงค์ให้อุปโลกสักสุร้อนหนึ่ง อย่าว่าทำแล้วไม่สำเร็จนะพยายามยังไม่พยายามกันเลยอโลสุนนวลจะมาสส่วนมากนี่นะเขาบอกว่าที่ไม่ทำเนี่ยพอไม่สามารถทำเพราะเป็นมหสัสจรของอุษานเนี่ยไม่มีใครมีความสามารถที่จะแต่งเหมือนอุษุนได้โมกต์ดจลานีซึ่งแนวคิดของเขาส่วนมากเนี่ย ส่วนมากเนี่ยไม่ใช่อสุนนะทําไมบอกว่ามอร์ซิล่ไม่ใช่อลสุษนะมอร์ซิล่มีแนวมีแนวที่จะปฏิเสธฮะดีสไม่ไม่ค่อยเอาหะดีสเนี่ยไม่เอาซุนนะเราจะไม่ได้ซุนนะได้ไงนี่ไงนี่ไงมอร์เตซิล่าเขาบอกว่ากุอฎียังเป็นมหัสจัลแต่ที่เขาไม่ได้ทํำนะที่เขาไม่ได้แต่งกุฎีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสามารถเขามีความสามารถเอ้าวมอร์ซิล่อะไร อะไรนี่เขามีความสามารถแต่เขาทำไม่ได้เนื่องจากพระเดชาุภาพของอัลลอฮ์นี่นะห้ามไม่ให้เขาทำคืออาชาโรเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่ผมเชื่อว่ามันแตกต่างกันนิดนึงคือมอเตซิล่าเขาเขามองว่าไอเรื่องภาษานี่จะบอกว่าไอคนที่ไม่สามารถแต่ง แต่งกุศอ่านได้นี่มันเป็นไปนไม่ได้เพราะการที่จะแต่งเนี่ยในกุศลในสํานวนกุศอ่านเนี่ยน่าจะมีคนแต่งได้แต่ที่คนนี้เขาไม่แต่งและไม่พยายามแต่งนี่เพราะอัลลอฮฺห้ามเขาเรียกกันเขาเรียกกันหัวข้อนี่หัวข้อนี้กกกนเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ากุศอ่านนิมมหสัจจ์นเนื่องจากว่าคนไม่สามารถไม่มีความสามารถแต่งตั้งกุศอ่านเพราะว่าอัลเลาะห์เหะตีกิยุน อเจาสัจัน์มันจริงนะเอเจนจริงอเนี่ยแปลว่าไม่สามารถทำได้หรืออเจนตบิสซซร์ฟมาสัจันาาร์เน่นจะว่าซอรฟซอ ร, รนี่อัลลอฮ์นี่ผักดันเขาขับไล่เขายึดความสามารถไม่ให้เขาสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้เขาไม่มีความสามารถเขาเรียกซอรฟซ ร, รฟนี่หมายถึงอัลลอ์ปัดปัดไม่ให้เขาพยายามไม่เขา สามารถแต่งกุตัานได้ทั้งสองกรณีนะในความเชื่อของอชัยรอดที่มอตซิล่เนี่ยมีคนบอกว่าแล้วก็อากิด้คงเซรในเรื่องนี้เนี่ยเซรับเขาไม่มีในประเด็นเนี้ยเขาไม่มีไม่ไม่มีไม่มีทัศนะเดือดห่าบากว่านี่นี่เช็กสอนอชัยรอดกับมอตซิล่าเนีไม่สอนไม่สอนอากิด้เซรับม่ใช่คือ วิชาอัคีดานี่ยมันมีโอหมีมาซลานี่มีเรื่องเป็นพันพันเรื่องบางเรื่องในสลับนี่ยเขาไม่ได้พูดไม่ได้วิจารณเลยดังนั้นถ้าผมไม่ได้ไม่ได้เอยสลับนี่หมายหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงผมไม่ได้สอนสลับไม่ประเด็นเนี้ยมันปมันเป็น ป, ประเด็นทางปัจจายมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวบททั้งสองท่าท่เนี่ยมีผลลัพธ์เดียวกันก็คือเดชาหนุ่มความ อ, อัลลอฮ์นี่นะเหนือกว่าเขาและถ้า พระเจ้ามีเดชาโนขนาดนี้เนี่ยก็ควรแก่การนิยมศรัทธาในตัวพระองค์แต่ข้อแตกต่างเนี่ยอิชยาระเขาจะโจมตีมอตสึเรบบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนแสดงว่าตัวกุอานเนี่ยไม่มีมาสจย์มาสจันอยู่ที่เดชาโนอลอนน้อยอย่างเดียวไม่ใช่ในตัวกุออืมซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลระหว่างสองทศนั้นเนี่ยในที่มีน้ำหนักที่มีน้ำหนักของอิชยระดี ในตัวสํานวนกุตัานเนี่ยมีแอลจาสนี่มีมหัสัจจันในตัวกุตัานเองวะคนยังไม่สามารถที่จะแต่งเหมือนกุตอ้นได้นี่น ะ, ะที่ผมบอกตอนเริ่มสอนว่าตอนเริ่มแั่ซิรวนเนี้ยนะคนที่มีคุตัานนี่นะรายละเอยียดในกุตัานนี่มันสามารถตอบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เราจะไปเที่ยวดูน้ําตก ดูต้นไม้ดูภูเขาจะดำน้ำไปในทะเลไปดูปลาไปดูอะไรเปอะไรก็ตามมันนะถ้าจะพบจะเจอเจออุบัติเหตุเจอความลำบากเจอความร่ำรวยกณอ่านนี้จะมีแนวทางสามารถอธิบายแล้วก็ให้ข้อปฏิบัติให้เราปรับตัวด้วยอยู่ในโลกนี้เนี่ยรู้ว่าเจ้าของโลกนี้เป็นใครแล้วเราต้องทาตัวยังไงคือเป็น เป็นเมนูหรือเป็นคู่มือที่มีความชัดเจนความกระจ่างให้ทุกคนเลยไม่เหมือนคนที่ซื้อเครื่องมือซึ่งเครื่องไปฟ้ามาแล้วไม่มีคู่มือจะใช้ยังไงอันนี้เป็ไงและนี่เพราะอะไรทำไมเพื่ออะไรทำไมมันเป็นแบบนั้นนี่ล่ะเรามีฉนดในมือ เรามีเรามีสิทธิสิทธิทธลิกสิตยืนยันยืนยันยืนยันนว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีมี ม, ม, มีตัวตนเพราะอะไรนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุผลที่จะทําให้พวกเราทุกคนนี่จะต้องให้ความสําคัญมากนะครับในการศึกษาเรียนรวดกุรอานเราต้องอดทนนะอดทนอดทนในการที่จะ หาปัจฉาหาความสว่างใ น, นกุตตายิ่งอดทนก็ยิง่งยิ่งได้รู้มากกว่าคนอื่นนะครั บ, บเพียงเท่านี้นะครับอุลลอฮฺนนนนใ น, นบี น, น, นา์มุฮัมมัดิานะอัลีอุซาบิอุสเซลมีคถามไหมการหยิบสัมผัสคุตตาสามารับโดยไม่มีน้ำละมา่ได้หรืีใดว่าแล้วต่างสตรีกลางวันรับต้องทยังไงหยิบมาวางหยิบจากตรงนี้มาวางตรงนี้ได้ แต่หยอ่านเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่มี น, มาน้าละมั่นในทัศนาอโลมาส่วนมากต่างศาสนิกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับอิสลามจะทํำยังไงถ้าเ้าเรียนรู้อ่านก็มีข้ออนุโลมเขาเอาข้ออนุโล ม, ออ น, ลมนี้มาจาก ح د ี ث ของท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสเซลลัมที่บันโนดมบุคฮารีและมุสลิมว่าท่านนาบีได้สง่งจดหมายไปยังเฮร์คลีส กษัตริย์ของโรมันบิสมิลลาฮิลลอฮ์มานุลอร์ฮิมมิมูฮัมมัดรสนุลลอฮ์จากมูฮัมมัดรสนุลของอัลลอฮ์ซลละห์ละซัลล์อัลลิมทัสลัมอัลลิมยุติกะลาหฮูอัจรากะมรรตัยเจ้าจงรับอิสลามแลวเจ้าจะปลอดภัยเจ้าจงรับอิสลามและเจ้าจะได้ผลบุญสองเท่า อุลิอาอัลกิฏฺบะบิ تعالى وإلا كلمة สวาม์ بين า ب าุลลนาบินาคิอันนบีมได้เขียนเองนะผู้เขียนหัว้เขียนให้ก็เขียนอายะน่งในกุรอ่านนในจดหมายในซึ่งท่านนบีรู้ว่าเฮร์คลีสเนี่ยจะต้องจับว่าจับอย่างเดียวนะในนั้นสีฟัดฮอลบารีเฮร์คลีสเนี่ยก็เป็นผู้รู้เหมือนกันนะเป็นผู้รู้ ในวดฮอลแบรีได้รายงานน่าจะเป็นของมุสลอมอามร์ในเมบุคารีเนี่เรื่องนี้มันจบแค่นี้หลังจากนี้ในเฮรากลิสิทําอะไรเนี่ยมีมีมสเสร็จงานอื่นว่าเฮรากลิสิเขาเรียกบาดหลวงทั้งหมดเลยพวกปรมาจารย์ไบเบิลนี่มาหมดเลยเบอกว่านี่จดไมายมาจากนบีคนสุดท้ายที่เราที่เราได้มีข้อมูลว่าจะมีนบีสุดท้ายนี่มาเรามาเชื่อเรามาฟังนบีคนนี้มาตามเ้าดีกว่าแล้วเราจะเราจะ ประสบความสำเร็จในโลกนี้และวก็โลกหน้าพวกบาทหลวงนี่ประท้วงกันหมดเลยคือในใจฮริรัชิสึรู้นะว่าท่านนาบีนี่สักจริงใช่ป่ะอารทำเรื่องนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่านี่ยเขาจะเอาไอ้พวกนี้มันจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะเข้งนั่งอยู่บนบัลลังก์นี่มันต้องมีคนเอาด้วยไงไอ้พราะเห็นพวกนี้ประท้วงเลยนะเขาก็เลยบอกว่าเออเอเอไม่เป็นไรข้าได้ทําเรื่องนี้จะได้ดูว่าพวกเจ้านี่เข้มแข็งในคริสตหรือเปล่า แต่เเรคลีสเนี่ยแอบเก็บหนังสือของท่านนบีเก็บไว้อย่างดีเลยนะเขาบอกเก็บไว้อย่างดีแล้วก็สั่งไว้กับทายาทของเขาเนี่ยหนังสือนี้เนี่ยถ้าอยู่ในมูอในมือในอนัต ก, การครอบครองพวกเจ้านี่นะบอลลังนี้จะไม่ถูกถล่ก็จริงด้วยเขาบอกว่าหนังสือนี้เนี่ยอยู่จนกระทายาทเฮเรคลีสเนี่ยก็อยู่ หลังจากน บ, บีเสด็จชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่ชามใช่ไหมแล้วถูกขับไล่ยุคของอัลวารุมขะตอมนี่ไปพิชิตเมืองชามถูกขับไล่เฮ้ยเรื่องนก็อพยพไปไปนี่ยกอาณาจักรมืงงองหลวงตกรุ่นอยู่ที่ที่ซีเรียที่ดีมัสกัสอพยพหมดเลยเนี่ยไปอยู่นูน่นไปอยู่ตกรุ่นทุรกีก็ ย, ย้ายอาณาจักรไปอยู่ทุรกีอยู่กุส ต, นตนันตีนียนเขาว่านังสือนี้เนี่ยไปอยู่ที่กุสตันตีเนียเนี่ย จนถูกขลุมเนี่ยเนื่องจากว่าหนังสือนี่หายหนังสือท่นานบีนี่หายก็เลยถูกขลุมไปหมดแต่นี้เขาก็อ้างหลักฐานนี่ว่านาบีรูวร้ว่าจดหมายนี้มีคุตัานอยู่ในจดหมายเนี่ยรู้ว่าเฮเรกเลสจะต้องจับจดหมายของท่านนาบีมีคุตัานก็เป็นข้ออนุโลมว่าต่างศาสนิาสามารถกับคุตัานเพื่อศึกษาได้ในใ น, ในเรื่องของความความจกิงความแท้จริงนะครับในบางประเด็นที่เอ่ อ, อเราก็นแรกเรามีความสงสัยพอสักพักหนึ่งเราได้คําตอบ หลังจากนั้นก็มีประเด็นอื่นที่มีความสงสัยอีกแล้วมันก็วนอยู่แบบนี้ครับแบบนี้ยังใช้ได้ไหมหรืวโอว่าคุณอาจารยคืออย่างนี้เรามีความเมียเกตในกุรานทั้งหมดในความเชื่อโดยรวมทั้งหมดอาจจะมีข้อสงสัยในบางเรื่องที่ยังไม่มีคําตอบเช่นทําไมอออััลลมุละะบบมุุตากยบบสนนนนิเ่ใ สตรีที่ถูกยาเนี่ยให้รออินดออินดอของเขาเนี่รอค้อนี่กว่าจะกว่าจะหลุดจากสามีคนเก่าจะได้แต่งงานกับคนใหม่เนี่ยต้องรอประจำเดือนสามครั้งทำํำแล้วทำไมต้องสามสงสัยแบบนี้ได้ตั้งคําถามได้ซึ่งตะกอนนู้นเะน่ยเขาก็ตั้งคําถามกันมาตั้งคําถามกันมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถตอบโดยวิทยาศาสตร์แต่เขาตอบแบบง่ายๆเนะี่ยบอกว่าอ๋อสามประจำเดือนเพราะถ้ามีประจำเดือนสามรอบแล้วนี่นะ จะรู้เลยว่าว่าผู้หญิงเนี่ยมดลูกนี่ไม่มีไม่ไม่ท้องไม่ท้องจากคนคนก่าจะได้ไปแต่งงานกับคนใหม่ได้แต่ทางวิทยาศาสตร์ที่หลังนี่มัมาที่มายอย่างละเอียดเลยก็าบอกว่ามี ม, ม, มีมีแพทย์คนหนึ่งเขารับอิสลามอยู่ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ที่ก็ได้พบเนี่ยแล้วก็อ่านอ่า น, านสรนารีกราเราจะมีข้อสงสัยหรือตั้งคําถามว่าทําไมแล้วก็ไม่มีคําตอบได้ไม่มีปัญหามันไม่กระทบกับ ความเชื่อความศรัทธาในโครงสร้างของของหลักศรัทธาทั้งหมดนี่ไม่มีปัญหาอ่านื่องอกกินได้าดบางเรื่องยังไม่เข้าใจหรือ ย, ยังสงสัยยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อยป ย, ยังไม่เข้าใจร้อยปอเซ็นะ่ะแต่สิ่งที่มันถูกต้องที่มันมีสายรายงานถูกต้องเนี่ยเราต้องเชื่อไว้ก่อนสงสัยไม่ได้ถ้าอะไรที่มันมีอิสนาถูกต้องเนี่ยต้องเชื่อไว้ก่อนไม่เข้าใจนี่ไม่เป็นไร เหตุผลว่าทําไมต้องมามีเนี่ยยังไม่มีไม่เป็นไรเหมือนกันแต่ต้องเชื่อไว้ก่อนนี่สําคัญแต่ถ้าหากว่าเราให้ความเชื่อตามข้อสงสัยมองว่าโอ้ทายังสงสัยฉันไม่เชื่ออันนี้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ยเพีนอันนี้ไม่ถูกต้องนะในละลามาต์เนี่าสามารถอ่านตัวไม่ปฏิปปโตได้นะครับอย่างเช่นในรูปการเลกเนี่ยเราอ่านติดอายเลขของตัวละมาตแล้วก็ในในรูการที่สองได้แต่ตามลำดับนะ ให้ตามลาดับสิบอายะแรกแล้วก็สิบอายะสุดท้ายอ่านที่ได้แล้วถ้าหากว่าในรอบแรกเนี่ยเราอ่านโซอาริมอนบางส่วนแล้วในรออที่สเราอ่านซโลตองกอลก็ได้ได้ได้แค่คนละสูรร่างเดีได้ครับถ้าในดุนยาคนที่ตัวอการที่ได้รับทางนามมีมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นทีผู้ศรัทธาของการในดุนยาเนี่ยนะ ใ ห, ให้รั่วละให้รู่วได้ได้รับทางนาแล้วก็อยู่ในความนามันจะมีสัญญาณจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราได้รับทางํางจริงๆนะทุกอย่างเนี่ยมันจะหันหันมาให้คำตอบให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งที่สุดขอให้เราได้ได้ลิ้มรสชาติของทางนาทุกอย่างนั้นในชีวิตเนี่ยทุกอย่าง เรื่องการศึกษาเรื่องทำงานทำมหากินัทั้งหมดนี่นะมันจะมันจะทำให้เราเนี่ยแลีคนที่มีทางนำแล้วแล้วก็เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นทางนำเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่มีทางนำแล้วก็เป็นเป็นครูเป็นตำรวจเป็นใครก็ตามนะจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่อยู่ในอยู่ในบริบทของของความถูกต้องที่ทำให้เขาเนี่ยมีความสบายใจแต่ต้องเป็นทางนําที่แท่จริงนะ แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในทางนำใช่หมไอความรู้สึกเนี่ยถ้าเรามีตัวบทหลักฐานยืนยันว่า น, นั้นคือทางนาแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ทางนาแต่เราพอมีตัวบทหลักฐานนะ่ะที่จะยืนยันกับตัวเราอันเนี้ยอัลลอฮฺยังอนุลอมให้เขาเนี่ ได้ผล บ, บุญของคนที่อยู่ในทางนำได้ผล บ, บุญหนึ่เท่าแต่เขาจะไม่ได้อัทรุษและกัความสุขของคนที่มีมีทางนำที่ถูกต้องที่สุดแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะ น, นี้ตุมมาอิลลารับบ oh ิคุมมาร์จิอุคุฟยุนบิอุคุฟีมะคุณตุมฟีตัชกับมีฮะอัลลอฮฺละติมต์ตบาะแต่ในโลกนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ จะเชื่ออะไรก็ตามให้มีตัวบท ม, มารองรับเราจะได้มีเหตุผลว่าจะได้ผลละบุญอย่างน้อยเนี่ยก็หนึ่งเท่าถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกนี่ก็ยังได้ผลละบุญหน้านีน่ี่ความใจบุญของอลอ้อยแล้วนะแล้วถ้าถูกละได้สองเท่า